มาจากที่ไหนเทปมางเทปนะเคยมาเปล่ามาหลายหนมากี่ครั้งลาประมาณสามครั้งแล้วสามครั้งมาเด็กมากี่คนนะวันนี้มาสองคนน้องคนนะมาจากที่ไหนภรรยามีอะไรอยากจะรู้อยากจะถามไหม วันนี้ผมหัดจรนสติครับอยากให้ลวงพ่อเมตตาแนะนำครับวิธีการหัดจัิลสติครับอคือให้ใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ให้ใจเราลอยไปกับความคิดต่างๆให้อยู่กับร่างกาย ให้เฝ้าดูร่างกายว่าร่างกายกําลังทําอะไรอยู่กำลังเดินกําลังยืนกําลังนั่งกําลังนอนให้รู้อยู่ทุกปีริยาบทของการเคลื่อนไหวกําลังทํางานอะไรกําลังหยิบของกําลังอาบน้ํากําลังนี้ผมให้มีสติอยู่กับงานหลังนี้ไม่ให้ทําไปคิดไปไม่ให้คิดอะไร ถ้าทําไปคิดไปเรียกว่าไม่มีสติทําไปแล้วต้องคิดอยู่กับงานที่เราทําอยู่เช่นกําลังหวีผมก็คิดอยู่กับเรื่องหวีผมอย่าไปคิดถึงเรื่องอาหารเ ร, เรื่องเครื่องดืม่มเรื่องอะไรต่างๆให้อยู่กับเรื่องที่เรากําลังทําอยู่ในขณะนั้นเนียกว่ามีสติให้เราเลิกนึกอยู่ในปัจจุบัน แต่ใจเรามันชอบนี้ปัจจุบันชอบไปคิดถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วคิดถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาหรือคิดถึงเหตุการณ์ที่ยังไม่มาถึงคิดไปแล้วก็เกิดอารมณ์ต่างๆตามมาถ้าไม่คิดแล้วมันจะไม่มีอารมณ์ใจมันจะเย็นใจจะสบายใจจะนิ่งใจจะตั้งมั่นจะมีสมาธิ เวลานั่งเฉยๆก็ดูลมหายใจเข้าออกไปนั่งหลับตาแล้วก็ดูลมเข้าดูลมออกดูลมเข้าดูลมออกลมสั้นก็รู้ว่าสั้นลมยาวก็รู้ว่ายาวลมยาวก็รู้ว่ายาวลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียดให้รู้เฉยๆให้รู้ลมไปเหมือนดูทีวีให้ดูเฉยๆดูไปเรื่อยๆล้วใจไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆ เดี๋ยวใจก็รวมเข้าสู่ความสงบพอใจสงบแล้วใจก็จะนิ่งจะเย็นจะสบายไม่ต้องบังคับมันจะไม่คิดลถ้าเราถ้ามันไม่สงบเราต้องคอยบังคับไม่ให้มันคิดแต่พอมันสงบแล้วมันจะหยุดคิดเองแล้วมันจะรู้สึกสบายมีความสุขเวลามันสงบ ก, ก็ให้รักษา อยู่กับความสงบคอยเข้าดูความสงบไปให้ดูเฉยๆอย่าไปคิดอย่าไปอยากดูเฉยๆมันก็จะไม่มันก็จะไม่ไปมันจะไม่หายมันจะไม่ถ้าเราไปดูเราไปคิดไปอยากเดี๋ยวความสงบก็หายไปนี่คือเรื่องของการกสติต้องฝึกทั้งวัน ฝึกตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นมาก็ดูก็ดูเลยว่าตอนนี้เราอยู่ในท่าไหนร่นางกายอยู่ในท่าไหนออยู่ในท่านอนถ้าเราจะลุกก็ต้องรู้แล้วว่าร่างกายกําลังจะลุกกําลังจะยืนกําลังจะเดินกําลังไปนั่งหน้าแปลงฟันไปอาบน้ามีผ้ามีผมแต่งเนื้อแต่งตัว รับประทานอาหารทำอะไรให้มีให้ใจมีอยู่กับเรื่องทรรมที่ทำเกียวกับปัจจุบันที่ทำอยู่กับร่างกายอย่าไปคิดถึงอดีตเมื่อวานนี้ไปทำอะไรมาไปมีเรื่องกับใครมีปัญหากับใครเดี๋ยวันนี้จะต้องไปทำอะไรไปมีเรื่องกับใครอย่าไปคิดนอกจากหนึ่งจำเป็นจะต้องคิด เรื่องที่เราตอวันนี้เป็นวันอะไรเราต้องไปทำงานหรือเปล่าอะไรก็คิดเท่าที่จำเป็นถ้าไม่จำเป็นก็อย่าคิดให้อยู่ดูร่างกายไปเรื่อยถ้ามันไม่ยอมอยู่กับร่างกายมันจะไปคิดก็ใช้พุทธโธดึงมาไว้ก็ได้ท่องพุทธโธบริกรรมพุทธโธไปในใจพุทธโธพุทธโธพุทธโธไป พวบูกับการดูร่างกายว่ากำลังทำอะไรอยู่อาบน้ำก็พุโทโธไปร่างหน้าแปลงควันก็พุโทโธไปอย่างนีเรียกว่าเป็นการเจริญสติการเจริญสติเพื่อกํากับใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้หถ้าเป็นรถก็เหมือนกับมีคนขับคอยขับรถให้มันอยู่บนถนน ไม่ให้มันออกนอกลูก่นอกทางออกไปทางซ้ายออกไปทางขวาให้มันวิ่งอยู่บนถนนใจของเราก็ให้มันอยู่ในปัจจุบันอย่าให้มันไปอดีตอย่าให้มันไปอนาคตให้อยู่ในปัจจุบันอยู่ปัจจุบันก็คือร่างกายร่างกายเรานี้เป็นปัจจุบันถ้าดูร่างกายก็ใจก็ gaan, เราอยู่ในปัจจุบัน หรือถ้ามันไม่ไม่ยอมอยู่มันจะไปคิดถึงอดีตอนาคตที่เราไม่จำเป็นจะต้องคิดเราก็ดึงพุทใช้พุโทโธดึงกลับมาแล้วใช้สติดึงให้กลับมาดูร่างกายต่อกำลังเดินกำลังเดินก้าวเท้าซ้ายหรือขวาถ้าซ้ายก็ว่าซ้ายขวาก็ว่าขวาไปให้มันทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเป็นการฝึกสติเป็นการควบคุมใจไม่ให้ไป นอกลกูนอกทางถ้าไม่มีสติเดี๋ยวก็คิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็เกิดความโลภเกิดความอยากเกิดความโกรธขึ้นมาเกิดความเสียใจเกิดความกังวลอะไรต่างๆขึ้นมาใจเราเป็นคนสร้างความรู้สึกต่างๆขึ้นมาด้วยการไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆแล้วก็เกิดกิเลส ความโลกความอยากไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่ได้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ไม่สบายใจวิตกกังวลแต่ถ้าเรามีสติกากับคอยดึงใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆใจเราก็จะไม่วุ่นวายใจเราก็จะเย็นจะสบายและเวลานั่งเฉยๆนั่งหลับตาใจก็จะสงบ สงบแล้วก็จะมีความสุขมีความอิ่มมีความพอทำให้ไม่มีความอยากได้อะไรไม่มีอะไรก็ไม่เดือดร้อนไม่มีเงินทองไม่นั่งไม่รวยก็ไม่เดือดร้อนไม่มีตำแหน่งสูงๆก็ไม่เดือดร้อนไม่มีใครมาให้รางวี่รางวัลไม่มีใครยกย่องสรรเสริญก็ไม่เดือดร้อน ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสมาเสกก็ไม่เดืนอดล้อนเพราะเจ็ตมีความสุขอยู่กับความสงบที่เป็นความสุขที่ดีกว่าเางินทองดีกว่าตำแหน่งดีกว่ารางวัลดีกว่ารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆถ้าเราได้ความสงบแล้วชีวิตเราจะเปลี่ยนไปแทนที่จะไปหาเงินหาทองหาตำแหน่ง เราก็จะไปหาความสงบแทนไปอยู่คนเดียวไปอยู่ที่เงียบๆเช่นไปอยู่ตามวัดป่าวัดเขาแล้วก็เดินจงกรมนั่งสมาธิควบคุมใจไม่ให้คิดปรุงแต่งให้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับร่างกายแล้วก็นั่งสมาธิจิดสงบ ก, ก็มีความสุข เ้าถ้าอยากจะให้ความสุขนี้อยู่อย่างถาวรเวลาเวลาออกจากสมาธิมาก็อาจคิดไปในทางปัญญาคิดถึงความจริงของสิ่งต่างๆเบาไปหน่อยมั้งเบาไปหน่อยนั้งนั่งนิดคิดถึงสิ่งต่างๆอคิดถึงถึงต่างๆที่มันมีอยู่ที่เรามา เกี่ยวข้องด้วยว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นของชั่วคราวมันไม่ได้เป็นของเราเราไปสั่งไปห้ามมันไม่ได้สั่งให้มันเป็นของเราไปตลอดไม่ได้ห้ามไม่ให้มันไปไปเป็นของคนอื่นไม่ได้ถึงเวลามันจะไปไมันก็ไปถึงเวลามันจะอยู่ก็อยู่ถ้าไปสั่งไปห้าม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 กับความแก่กับความเจ็บกับความตายมีปัญญาถ้ามีปัญญาแล้วใจก็จะสงบไปตลอดถ้าไม่มีปัญญาออกจากสมาธิมาเดี๋ยวใจก็เกิดความอยากอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะวุ่นวายใจขึ้นมาแต่ถ้ามีปัญญามันก็เฉย มึงจะแก่ก็แก่ไปมึงจะเจ็บก็เจ็บไปมึงจะตายก็ตายไปเพราะร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราร่างกายมันไม่เที่ยงจะให้มันเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้จะให้มันถาวรไม่ได้มันเป็นของชั่วคราวมันไม่ได้เป็นตัวเราไม่ได้เป็นของเราเป็นของพ่อแม่ให้เรามาเป็นของขวัญเราได้ของขวัญจากพ่อแม่คือร่างกายนี แล้วเดี๋ยวร่างกายนี้มันก็ต้องพังไปเหมือนรถยนต์ของขวัญพ่อแม่ให้รถยนต์มาขับไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวมันก็พังสิบปียี่สิบปีมันก็ใช้ไม่ได้ร่างกายก็เป็นเหมือนรถยนต์พ่อแม่ให้มาใช้ไปสักแปดสิบปีก็หมดกาลังแลหมดแรงก็พังเหมือนรถยนต์ร่างกายกับรถยนต์นี้เหมือนกัน ไม่ใช่ของเราเหมือนกันไม่เที่ยงเหมือนกันแต่เราไม่ทุกข์กับรถยนต์เพราะเราไม่ไปหลงคิดว่ามันเป็นเราเรารู้ว่ามันจะต้องพังเรารู้ว่ามันจะอะมันมันจะต้องหมดสภาพไปเราก็ไม่ไปยึดไปติดมันแต่ร่างกายเรากลับไปคิดว่ามันเป็นตัวเราของเรามันก็เลยทําให้เราอยากให้มันเป็นของเราไปเรื่อยๆอยากให้มันอยู่กับเราเป็นนา น, าน พออยากแล้วมันก็ต้องทุกเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้มันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราต้องคอยมาสอนใจว่าร่างกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นของพ่อแม่มันเป็นของขวัญมันจะเป็นตัวเราได้อย่างไรของขวัญเนี่ยเวลาใครให้ของขวัญมามันจะกลายเป็นตัวเราขึ้นมาได้ไงเพราะเกิดใารให้ตุ๊กตามราตัวหนึ่งเรา แล้วเราก็จะมาว่ามันเป็นตัวเราได้ป่ ะ, ะมันก็แค่เป็นตุ๊กตาร่างกายนี้ก็เหมือนตุ๊กตาพ่อแม่ให้ร่างกายเรามาพอเราได้ร่างกายมาจากพ่อแม่เราก็ไปกลับไปคิดว่าเป็นตัวเราเป็นของเรามันเป็นของเราก็ของชั่วข้าวเดี๋ยวมันก็ไปดูที่เมนเนี่ยนเดี๋ยวมันก็กลายเป็นอะไรไป กลายเป็นกี้เท่าไปกลายเป็นเศษกระดูกไปเนี่ยเราไม่ศึกษาดูธรรมชาติของร่างกายว่ามันเป็นอะไรกันแน่ mm. เราก็เลยหลง mm. เราได้ร่างกายตอนที่พ่อแม่ผสมพันธ์อันนี้ตอนทีเ่เชื้อของพ่อมาผสมกับเชื้อของแม่เราเป็นผู้พันเอจร เป็นดวงจิตดวงวิญญาณที่ไม่มีร่างกายก็เลยมารั บ, ร, บรับของขวัญเป็นจังหวะที่เราพร้อมที่จะมาเป็นมนุษย์หลังจากที่เราไปใช้บุญใช้กรรมแล้วพอบุญกรรมมันไม่มีอํานาจที่จะดึงเราไปทางบุญหรือทางบาปแล้วเราก็มาที่ โลกนี้มาหาร่างกายพ่อพ่อแม่ผสมกันเชื้อของพ่อแม่ผสมกันปั๊บเราก็เลยมารับร่างกายนี้ตั้งแต่มันเป็นตัวอ่อนเป็นหยดน้ำสองหยดมารวมกัน อ, อันนั้นแหละเราคือดวงวิญญาณที่ไม่มีร่างกาย ร่างกายเก่าตายไปแล้วพอร่างกายเก่าตายไปเราก็ต้องไปรับผลบุญผลบาปก่อนพอรับรับผลบุญผลบาปแล้วเราก็มารับร่างกายอันใหม่นี่คือความจริงที่เราไม่รู้กันเราไม่รู้ว่าร่างกายเรามาจากที่ไหนมาได้อย่างไรร่างกายเรามีกี่ส่วนเราไม่รู้เราคิดว่ามีร่างกายส่วนเดียว เราคิดว่าเรานี่เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายแต่ความจริงเราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเราเป็นใจเราเป็นดวงวิญญาณเป็นผู้รู้ผู้คิดที่มาเกาะติดอยู่กับร่างกายเราส่งกระแสตัวรับรู้มาเกาะติดที่ตาหูจดิมดลลิ้นกายเกาะที่ตาเพื่อจะได้เห็นรูปเกาะที่หูเพื่อจะได้ยินเสียง เกาะที่ลิ้นเพื่อจะได้ลิ้มสัมผัสกับรถเกาะที่จมูกเพื่อจะได้ดมกลิ่นเกาะที่ร่างกายเพื่อจะได้รู้ว่าเวลาอะไรมาสัมผัสกับร่างกายเช่นอากาศเย็นอากา ศ, ากาศร้อนของแข็งของนุ่มมา อ, อมาแตะป๊บนี่เราจะรู้ ท, ทันทีร่างกายมันไม่รู้อะไรร่างกายเวลาตายไปหมอผ่าออกมาชันสูตรผ่าตับมาดมูมันไม่เต้นมันไม่ร้อง ตัวร่างกายมันเป็นเหมือนตุ๊กตาตุ๊กตาลองผ่ามันออกมาดูมันร้องไหมมันไม่ร้องร่างกายกับตุ๊กตานี่เหมือนกันมันไม่มีวิญญาณมันไม่มีดวงวิญญาณตอนที่มันมีตอนที่มีดวงวิญญาณเกาะติดอยู่เนี่ยมันร้องตัวที่ร้องไม่ใช่ร่างกายร้องไอ้ตัวดวงวิญญาณมันร้องพออะไรมาแตะมันนี่เอาเข็มมาจิ้มนี่มันร้องขึ้นมาแล้ว บางทียังไม่ทันแตะเลยเพียงแต่รู้ว่าจะแตะมันก็ร้องขึ้นมันก็สะดุ้งขึ้นมาก่อนแล้วพ อ, อไปหาหมอหมอบอกเดี๋ยวต้องฉีดยาให้สักเข็มยังไม่ทันฉีดเลยงใจสะดุ้งไปแล้วตัวรู้คือใจไม่ใช่เป็นร่างกายร่างกายก็ยังเฉยเฉยอยู่หมอบอกจะฉีดยากี่เข็มร่างกายมันก็ถึงืตื่นเต้นตกใจไอ้ตัวที่ตื่นเต้นตกใจก็คือใจ ตัวนี้กับร่างกายขอรลอตัวกันอาจมันมาเกาะติดกันตอนที่เกิดปฏิปิอะไรก็เลยอะไรตอนที่มันเกิดเนี่ยปฏิสนธิการปฏิสนธินี้ต้องมีสามฝ่ายมารวมกันฝ่ายพ่อฝ่ายแม่แล้วก็ฝ่ายเราฝ่ายพ่อก็เชื่ออสุกิฝ่ายแม่ก็ลังเชื่อไข่ ไปเราก็ดวงวิญญาณวิญญาณก็มาเกาะติด ท, ที่ร่างกายเราไม่ได้เข้าไปอยู่ในร่างกายแล้วเราเป็นเหมือนกระแสตัววิญญาณก็มาเกาะอีกทีตัวเรานี่อยู่อีกโลกอยู่โลกทิพย์นะอยู่ในทิพแต่ส่งกระแสามาเกาะร่างกายที่อยู่ในโลกกฐาอยู่คนละโลกกัน ไม่ว่าร่างกายจะเป็นจะตายโ ล, โลกนี้จะระเบิดใจก็ไม่ได้ระเบิดไปกับร่างกายไม่ได้ระเบิดไปกับโลกนี้ใจไม่มีร่างกายนี้ก็รับผลบุญผลบาปใหม่ถ้าถ้ามีผลบุญผลบาปถ้าไม่มีก็ไปหาโลกใหม่จนเมื่อเกิดโลกนี้ระเบิดเกิดสงครามนิวเคลีย ใช้ระเบิดนิวเคลียร์ถล่มกันทั้งโลกจนกระทั่งไม่มีสัตว์ล้งเหลืออยู่ในโลกนี้มันก็ไปหาโลกใหม่มันไม่ใช่โลกมันไม่มีไม่ใช่โลกนี้โลกเดียวที่มีสัตว์มีมนุษย์อยู่มองขึ้นไปบนท้องฟ้าเนยดวงดาวมันมากยิ่งกว่าเมล็ดทรายในทะเลแล้วมันจะไม่มีมนุษย์ไม่มีที่ไปเกิดใหม่เลยเพราะโลกทุกโลกมันเกิดมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องดับ โลกนี้มันก็ดับมันเกิดมาแล้วเดี๋ยวมันก็ดับสัตว์ที่มาอาศัยอยู่ในโลกนี้ก็อาศัยอยู่ไม่ได้เหมัอนดวงดาวที่อยู่ใกล้ๆแล้วโลกเราดาวอังโคกอังคารดาวพระจันทร์โลกมันไม่มีมนุษย์ไม่มีสัตว์อยู่ฮแต่จิตนี้มันสามารถที่จะส่งกระแสไปหาร่างกายอันใหม่ในโลกใหม่ได้โดยไม่ต้องใช้จลวดพาไป มันส่งกระแสจิตนี่เร็วยิ่งกว่าจรวดเร็วยิ่งกว่าแสาองอีกเขาว่าแสางนี่เร็วไอ้นี่กระแสจิตกลับเร็วกว่าเพียงแค่คิดก็ถึงแล้วคิดถึงกรุงเทพปั๊มนี่ถึงกรุงเทพแล้วเนี่ยี่ดถึงอเมริกานี่ไปถึงอเมริกาแล้วจิตมันไวมันไวมากมันไม่ต้องเดินทางมันเพียงแต่ส่งกระแสไปเนี่ย เนี่ยเราต้องพิจารณาให้รู้ว่าเรากับร่างกายเป็นคนละคนกันเราเป็นคนมาขับร่างกายเราได้ร่างกายมาเป็นของขวัญเป็นเหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่งเราก็เอามาเล่นเอามาพาเราไปเที่ยวไปกินไปดืม่มไปหาความสุขต่างๆแต่เราหลงคิดว่ามันจะต้องอยู่กับเราไปเรื่อยๆพอมันไม่อยู่กับเราเราก็เลยทุกข์กัน เพราะเราไม่อยากจะให้มันจากเราเราไม่อยากให้มันหมดเราไม่อยากให้มันแก่เพราะเวลาแก่ไปเที่ยวกันได้ไะไปหาความสุขกันได้ไหเวลามันเจ็บนี่ไปหาความสุขกันได้นหเวลามันตายเราจึงกลัวกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายมันก็เลยทำให้เราทุกข์เพราะเราไม่รู้ว่า เราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับมันแต่ปัญหาของเราคือเราไปพึ่งมันเป็นเครื่องมือหาความสุขพอไม่มีมันเราก็เลยทุกข์กันเราไม่ฉลาดเราไม่รู้ว่าเราสามารถหาความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายได้แต่ไม่มีใครรู้ต้องมาเจอพระพุทธเจ้าท่านถึงจะสอนเราบอกเราว่า เ, เราไม่ต้องหาความสุขจากร่างกายก็ได้เราม า, าความสุขจากการเจริญสติมานั่งสมาธิเนี่ยพอนั่งสมาธิจิตสงบเวลานั่งสมาธิก็ไม่ได้ใช้ร่างกายทำอะไรปล่อยให้ร่างกายอยู่เฉยๆแล้วจิตก็แยกออกจากร่างกายจิตเข้าสู่ความสงบสงบแล้วก็สบายมีความสุขร่างกายจะเป็นอะไรก็ไม่เดือดร้อน พอออกจากสมาธิมาก็ต้องใช้ใจใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปยึดอย่าไปติดกับร่างกายอย่าไปอาศัยร่างกายอย่าไปใช้ร่างกายใช้แล้วมันเดี๋ยวเวลาใช้ไม่ได้จะทุกข์เหมือนตอนนี้อย่าใช้เงินถ้าไม่มีเงินก็จะทุกข์หัดอย่าไปใช้เงินดูสิต่อไปเวลาไม่มีเงินจะไม่ทุกข์มาบวชมาบวชแล้วก็ไม่ต้องใช้เงิน ไม่มีเงินก็ไม่ทุกข์อย่ า, ย, าย่ายมนี่ทุกข์ไหถ้าสิ้นเดือนเงินไม่ออกเงินเดือนไม่ออกทุกข์ไหมพระนี่ไม่เห็นเดือดร้อนเลยไม่ได้ใช้เงินอยู่ได้อยู่โดยไม่ต้องใช้เงินได้เราไปหาความทุกข์กันเองเพราะเราคิดว่าเป็นความสุขคิดว่ามีเงิน้วมีความสุข มีเงินจะได้ไปเที่ยวได้ไปซื้ออะไรได้แต่ไม่ใช่ว่าเวลามันหมดเวลามันหมดนี่มันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์กันเนีพระพุทธเจ้าบอกว่ามาหาความสุขในตัวเราดีกว่าแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปหาความสุขจากเงินทองไม่ต้องไปหาความสุขจากคนนั่นคนนี้ไม่ต้องหาความสุขจากร่างกายของผู้นี้พึ่งไม่ได้เป็นของชั่วกราว มีเกิดมีดับมีมามีไปมีขึ้นมีลงมีได้มีเสียแต่พวกเรามันจะเอาอย่างเดียวจะขึ้นอย่างเดียวแต่พอมันลงก็เลยโวยวายกันวุ่นวายกันทรมานกันอันนี้แหละพวกเราโง่กันตอนนี้ไปเพึ่งในสิ่งที่จะทำให้เราต้องทุกข์กันต่อไปเดี๋ยวร่างกายมันแก่ก็ทุกขนะ์ละร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกข์ ร่างกายตายกระทุกมันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็มามาเลือกค่ะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขกันมานั่งสมาธิกันมาทำใจให้สงบกันใจสงบแล้วมีความสุขไม่ต้องใช้ร่างกายร่างกายแก่ก็ยังมีความสุขได้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีความสุขได้ร่างกายตายก็มีความสุขได้ พอใจไม่ได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขใจใช้สติใช้ปัญญาเนี่ยที่พึ่งของใจที่แท้จริงที่จะอยู่กับใจไปตลอดก็คือสติปัญญาถ้ามีสติมีปัญญาแล้วใจจะสงบไปตลอดสติก็ทำใจให้สงบปัญญาก็สอนใจไม่ให้ไปพึ่งอะไรต่างๆที่เรากำลังพึ่งอยู่ตอนนี้ให้ตัดไปให้หมด ไม่ต้องไปพื่งเงินทองไม่ต้องไปพึ่งคนนั่นคน น, <c oughs> น, น, นี้ไม่ต้องไปพื่งเสียงนั้นเสียงนี้ไม่ต้องไปเพึ่งร่างกายถ้าตัดได้แล้วก็จะไม่เดือดร้อนอยู่กับความสงบมีความสุขกว่าสบายกว่าแล้วก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกายอันใหม่อยู่เรื่อย ร่างกายนี้เดี๋ยวตายไปถ้าเรายังพึ่งร่างกายอยู่เดี๋ยวก็ต้องกลับมามีร่างกายอหม่ยเหมือนกับเราตอนนี้พึ่งโทรศัพท์มือถือเนี่ยถ้าเครื่องเก่าพังไปต้องไปซื้อเครื่องใหม่ไหมมีใครเลิกซื้อไหม <S <S 1> <S 1> ถ้าลองใช้แนละ้วมันติดนะถ้าไม่มีใช้นี่มันมันทุกข์หยแล้วมันอยากจะซื้อเครื่องใหม่ปะไม่อยากนะ พอเครื่องนี้พังก็เลิกเลิกใช้ได้เลยนะเ<ม>นี่ยโทรศัพท์มือถือก็เป็นเหมือนร่างกายอันหนึ่งที่เราใช้<ม>เป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆเวลาไม่สบายใจก็เปิดดูอะไรสักหน่อยเดี๋ยวก็สบายใจโทรไปหาคนนั้นคนนี้คุยกับเขาสักหน่อยเอสบายใจถ้าเวลาเกิดมันใช้ไม่ได้ทำไง กระทุกก็เลยก็ต้องไปหาเครื่องใหม่มาทดแทนร่างกายมันก็เหมือนกันเหมือนเหมือนโทรศัพท์มือถือพอร่างกายนี้ตายไปเดี๋ยวก็ไปหาร่างกายใหม่ไปเกิดใหม่เนี่ยร่างกายที่เรามีอยู่นี่เป็นร่างกายที่ลำดับที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ไม่รู้กี่แสนล้านร่างกายนะเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆพอร่างกายเก่าตายไปไปใช้บาปใช้กรรมเสร็จก็กลับมามีร่างกายใหม่ ถ้ายัางต้องใช้บาปใช้กรรมยังมามามีร่างกายไม่ได้ต้องไปใช้บาปใช้บุญก่อนพอบุญกับบาปใช้เสร็จแล้วก็กลับมามีร่างกายใหม่แล้วก็มาทำบุญทำบาปใหม่ตายไปก็กลับไปใช้บุญใช้บาปแล้วก็กลับมาเกิดใหม่จนกว่าเราจะมาเจอพระพุทธเจ้าเจอพระธรรมคสอนเจอพระสงฆ์ ที่สอนบว่าต่อไปนี้อย่าไปอย่าไปใช้ร่างกายเลยอย่าไปใช้เงินทองเลยมาใช้สติใช้ปัญญาดีกว่ามาทำใจให้สงบแล้วจะมีความสุขแล้วก็ใช้ปัญญาสอนใจให้ตัดอย่าไปมีอะไรอย่าไปอาศัยอะไรเป็นเครื่องมือหาความสุขเพราะมันจะทำให้เราต้องกลับมาเกิดใหม่อยู่เรื่อย เกิดมาก็ต้องลำบากกับการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วก็ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็ต้องมาทุก ก, กับการพัดผ่าจากกันไม่เกิดแล้วสบายไม่ต้องมีไม่ต้องทำอะไรอยู่กับความสงบอยู่กับความสุขที่ถาวร น, นี่คือเรื่องของเรา ที่เราต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เกิดความเข้าใจว่าเรามีสองส่วนส่วนส่วนหนึ่งคือร่างกายส่วนหนึ่งคือจิตใจส่วนที่เป็นของเราจริงๆก็คือจิตใจส่วนร่างกายนี้เป็นของเราชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ต้องกลับไปสู่ดินน้ำลมไฟตายไปก็มันก็แยกตัวไปน้ำก็แยกออกไปดินก็ แยกกันไปลมไฟก็ไปขอรัฐทานแต่ถ้าเรายังมีความอยากใช้ร่างกายอยู่เราก็ยังจะต้องไปมีร่างกายใหม่แต่ถ้าเรามีความสงบเราก็จะไม่มีความอยากเรามีปัญญาเราก็เราก็หยุดความอยากต่างๆสอนให้อยากไปอยากอยากเราจะต้องไปเกิดใหม่ นี่ก็เรื่องราของเรามีแค่นี้แหลมะมาฝึกสติเพื่อจะได้มีกำลังหยุดใจหยุดความอยากแล้วก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าทำไมต้องหยุดความอยากเพราะการทำตามความอยากเป็นการไปไปเกิดแก่เจ็บตายใหม่อยากอะไรมันก็ต้องไปหามาเรื่อยๆอยากกาแฟาก็ต้องไปหากาแฟามาดื่มเรื่อยๆอยากบุหรี่ก็ต้องไปหาบุหรี่มาสูบอยู่เรื่อยๆ อยากเล่าก็ลองไปหาเล่ามาสบอยู่เรื่อยๆ อ, อยากมีอยากได้แฟนก็ไปหาแฟนอยู่เรื่อยๆหาแฟนคนนี้แล้วก็เดี๋ยวหาแฟนคนนั่นต่อหาันไปเรื่อยๆไม่มีวันจบเวลาหาไม่ได้ก็ทุกข์สูอยู่เฉยๆทำใจสงบดีกว่าไม่ต้องหาอะไรมีความสุข ถ้าอยู่เฉยๆได้ก็ต้องฝึกสติอย่างที่สอนนั่ตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยให้มีพุโทโธก็ได้ให้มีการเฝ้าดูร่างกายตลอดเวลาอย่าให้มันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้แล้วก็มีเวลาไม่ต้องทําอะไรก็นั่งหลับตาให้จิตมันดิ่งเข้าสู่ความสงบมันจะได้พบกับความสุขเต็มร้อยเมื่ได้พบความสุขเต็มร้อยมันก็ ไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขวันแต่เวลาออกจากสมาธิมานิสัยเดิมมันยังอยากอยู่ยังอยากจะกินอยากจะดื่มอยู่ก็ต้องใช้ปัญญาสอนอย่าไปกินอย่าไปดื่มถ้าไม่จําเป็นกินเฉพาะเลี้ยงดูร่างกายดูดื่มเพื่อเลี้ยงร่างกายอย่าไปกินอย่าไปดื่มเพื่อให้เราเกิดความสุขขึ้นมาทั้งทั้งที่เรายังไม่ต้องถึงเวลาต้องกินต้องดื่มก็อย่าไปกินอย่าไปดื่มไป ถ้าเดื่มก็ดื่มน้ำเปล่าไม่ต้องดื่มน้ำชากาแฟาน้ำบองน้ำเบียร์น้ำเหล้าเดื่มแล้วมันจะติดแล้วมันจะทุกข์มันจะต้องไปหาเงินมาซื้อของพวกนี้ของถูกๆดีๆกับไม่ชอบดืมม่มนะน้ำเปล่ า, ลาสมัยก่อนน้ำลองน้ำฝนดื่มได้สะอาดไม่ต้องเสียเงิน นี่แหละความโง่ของวกเราไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนไปหาความสุขที่มีความทุกข์พ่วงมาด้วยเพราเวลามันหมดมันก็ทุกข์ใช่ไหมเราดื่มกาแฟาหมดมันก็ทุกข์แล้วดื่มเหล้าหมดมก็ทุกข์แล้วเดี๋ยวไม่มีเหื่มไม่มีแล้ว ก, ก็ต้องไปหามาถ้าหาไม่ได้ก็ทุกข์ถ้าหามาได้ก็ก็สุขเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็หมดอีก หามาได้เท่าไรก็เหมือนกันร่างกายก็เหมือนกันเดี๋ยวร่างกายก็แก่เดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ตายแต่เจ็บตายก็ไปหามาใหม่พอได้ร่างกายมาใหม่ก็ใช้มันหาความสุขใหม่เดี๋ยวมันก็แก่เจ็บตายใหม่มันก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันจบเส้นจนกว่ารเราจะหยุดใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเครื่องมือหาความสุขให้มาใช้สิ่งที่มีอยู่ในใจเรา ใช้สติใช้ปัญญาถ้าเราก็จะไม่ต้องอาศัยอะไรมาให้ความสุขกับเราใครจะเป็นใครจะตายก็ไม่เดือดร้อนจะมีเงินหรือไม่มีเงินก็ไม่เดือดร้อนร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เดือดร้อนแล้วก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกายใหม่ไม่ต้องมาหากิน ไม่ต้องมาหาลูกเสียงกินรถไม่ต้องมาหาราบยศสั้นริญหาได้เท่าไหร่เดี๋ยวก็หมดอยู่ดีนี่คือทางออกทางไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์การไปสู่ความสุขที่ท้าวรคือสติปัญญาเนี่ยสติปัญญาเรียกว่าธรรมะ ปฏิธรรมปัญญาธรรมเป็นที่พึ่งของเราธรรมังสรารนาังกระฉามิให้เราพึ่งทำพึ่งทำด้วยการดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างดูพระอริยสงสารวกเป็นตัวอย่างท่านก็พึ่งทำกันพระพุทธเจ้าก็เจริญสติเจริญปัญญาพระอริยสงสารวกก็เจริญสติเจริญปัญญาท่านได้มี ลาบยศสรรเสริญไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสมาเสกแต่ท่านกลับอยู่สุขสบายยิ่งกว่าพวกเราท่านไม่มีความทุกข์ท่านไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายเหมือนพวกเราให้เรายึดธรรมะยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเป็นโตเป็นแบบฉบับยึดพระพุทธเจ้าเป็นแบบฉบับยึดพระอริยสง์สาวกเป็นแบบฉบับโดยการยึดพระธรรม คือสติปัญญาถ้าไม่มีสติก็ต้องเจริญสร้างขึ้นมาสติเราสร้างได้ปัญญาเราสร้างได้ถ้ามีสติมีปัญญาแล้วเราก็ไม่ต้องพึ่งอะไรเพราะสติปัญญาจะทำให้จิตเรามีความสุขทำจิตให้เราสงบนี่ก็คือเรื่องของ าาหนูมีคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติเจ้าค่ะคือหนูเนี่ยเริ่มต้นจากการฝึกแบบยุบหน่อกางหนอเจ้าค่ะแต่พอมาศึกษาสายหลวงปูมั่นเนี่ยหนูมาดูตัวเองว่าเวลาตัวเองหายใจเนี่ยหายใจทางปลายจมูกเนี่ยพุกโทจะเป็นสมาธิได้เร็กเรวกว่าแต่ในขณะเดียวกันเวลาที่ยืนและเดินหนูทำแบบพุโทโธไม่เต็มเจค่ะก็เลยยังคงใช้วิธีเดินคือขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอและอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่า เอาสองวิธีนี้มันจะขัดกันไหมเจ้าคะอ๋อไม่ขัดหรอกเวลาเดินโยมก็ย่างเนอไปอเวลามานั่งก็ดูลมหายใจไปอใช้แทนกันได้วิธีเจริญสติมีหลายวิธีเวลาเดินถ้าไม่ย่างเนอก็ซ้ายขวาไปก็ได้ก้าวเท้าซ้ายก้วาวซ้ายก้าวเท้าขวาก็ว่าวขวาไปย่างหนอก็ได้เหมือนกันคือไม่ให้เราไปคิดอะไร ถ้าเราไม่ไปคิดอะไรก็ใช้ได้ไม่ต้องอย่างหนอไม่ต้องซ้ายขวาก็ได้เพีงเยงแต่ดูเฉยๆดูว่ามันกำลังเดินเดินไปเดินมาแล้วให้มันดูการเดินอย่างเดียวเหมือนกับดูลมเวลาเดินก็ดูดูการเดินเวลานั่งก็ดูลมไปให้ดูเฉยๆให้สักแต่ว่ารู้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั่นคนนี้สิ่งนั่นสิ่งนี้เท่านั้นเอง แล้วมานั่งมันจิตก็จะสงบถ้าไม่ไม่ไม่ดูตอนที่เดินตอนที่ทำอะไรเดี๋ยวเวลามานั่งมันมันจะไม่นิ่งมันจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ฉนั้นต้องหัดหยุดความคิดก่อนที่จะมานั่งแล้วมันจะทำให้จิตสงบได้เร็วขอให้รู้ว่าความคิดนี้เป็นศัตรูกับเราอย่าคิดฆ่ามันฆ่าความคิดให้หมด ยกเว้ความคิดที่จำเป็นจริงๆตอนนี้กี่โมงแล้วถึงเวลากินข้าวหรือยังถึงเวลาทำอะไรหรือยัง่านแต่อย่าไปคิดเพ้่ฝันโอ้อยากจะได้เงินดักได้ทองอยากจะได้ตำแหน่งอยากจะได้บ้านอยากจะได้รถอย่าไปคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้คิดแล้วมันจะทำให้เกิดกิเลสตัญหาขึ้นมาในความจริงสาหรับผู้เริ่มปฏิบัติใหม่การกาหนดเวลายัีควจําเป็นหรือไม่เ้าคะ เพระว่านที่โยมฝึกตอนแรกเนจะเป็นเดิน1ชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงแต่ทีนี้ว่าพอมาศึกษาสายของหลวงปู่ม่นจะเห็นว่าจะไม่มีการเอาเวลามาเป็นตัวแปรในการปฏิบัติเจค่ะก็เดินมันจนกระทั่งเดินไม่ไหว<ม>เดินไม่ไหวก<ม>็นั่งนั่งจนเยอะนั่งไม่ไห ว, <ม>ไไหวก็ลุกขึ้นมาเดินต้องตามธรรมชาติตถ้าเรายังต้องเกี่ยวข้องกับเวลาเรายังต้อง มีกิจกรรมต้องทำก็อ า, าจจาเป็นจะต้องใช้เวลาเช่นเวลานี้เดินเวลานั้นนั่งความจริงเวลาปฏิบัตินี้ไม่จาเป็นเเพะต้องไปกำหนดเวลานั่งเวลาเดินนอกจากจิตมันขี้เกียจมันจะไม่ยอมนั่งไม่ยอมเดินมันถึงอาจจะต้องกำหนดเวลาเวลาเริ่มต้นถ้าไม่กำหนดเวลามันนั่งห้านาทีมันก็เลิกเดินห้านาทีมันก็เลิกแล้ว การนี้เราก็ต้องตั้งเวลาไว้กําหนดเวลาว่าต้องนั่งชั่วโมงหนึ่งเดินชั่วโมงหนึ่งบังคับมันใหม่ๆนี้ต้องบังคับมันก่อนเหมือนถ้านั่งไม่ถึงสี่สิบนาทีเวทนาขาขาจะไม่เกิดนะเจ้าค่ะเออเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้ไม่สําคัญขอให้จิตสงบจิตไม่ไปคิดปรุงแต่งก็แล้วกันในขั้นต้นนี้เราไม่ได้นั่งเพื่อที่จะต้องการจะไปสู้กับเวทนาตอนต้นนี้เรานั่งเพื่อให้จิตมันสงบ แต่ถ้าเราจิตสงบแล้วเราต้องการให้มันไปขั้นปัญญามันก็ต้องนั่งให้มันเจ็บเจอความเจ็บแล้วก็จะได้ใช้ปัญญาฝึกใช้ปัญญาหยุดหยุดความอยากที่จะหนีจากความเจ็บหรือหยุดความอยากให้ความเจ็บหายไปเพื่อเราจะได้อยู่กับความเจ็บได้ความเจ็บมันไม่น่ากลัวตัวที่น่ากลัวคือความอยากอยากให้มันหายเจ็บ อยากให้อยากจะหนีจากมันไป ต, ตัวนี้พอเกิดความอยากเข้าใจมันจะทรมานถ้าเราหยุดตัวนี้ได้ใจจะไม่ทรมานจะอยู่กับความเจ็บได้เหมือนกับอยู่แฟนที่เราไม่ชอบนเนี่ยเวลาเจอถ้าอยู่กับแฟนที่ไม่ชอบเราอยากจะหนีไหมไม่อยากจะเข้าใกลใ้เจอหน้าก็อยากจะหนีแต่ถ้าหนีไม่ได้ทำไมก็ต้องทรมาน แต่ถ้าเราทาใจว่าหนีไม่ได้ต้องอยู่กันก็อยู่กันไปมันก็จะไม่ทรมานถ้าไม่มีความอยากจะหนีจากเขาไปเหมือนกันนีอันนี้เป็นขั้นปัญญาถ้านั่งแล้วถ้าอยากจะให้ก้าวหน้าอย่าให้จิตลงลึกก็นั่งๆแล้วเวลาเจ็บก็อย่าไปลุกเวลาเจ็บก็ใช้สติ สอนดึงใจให้อยู่เฉยๆก็ได้หรือใช้ปัญญาสอนใจให้อยู่เฉยๆก็ได้แต่ว่าเรามีความสามารถในทางไหนทางสตินี้มันง่ายเพียงแต่พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงความเจ็บเดี๋ยวก็มันก็จะหายอยากพอหายอยากมันก็จะอยู่กับความเจ็บได้ความเจ็บนั้นไม่รุนแรงตัวที่รุนแรงก็คือความอยากให้มันหายเจ็บ เลอใช้ปัญญาสอนใจว่าความเจ็บก็เป็นเรื่องของความเจ็บเราก็เป็นเรื่องของเราต่างฝ่ายต่างอยู่ด้วยกันได้ถ้าไม่ไปยุ่งกับกันเขาเจ็บก็ปล่อยเขาเจ็บไปเราก็เราก็อยู่ของไปเราไปแล้วก็รู้ไปรู้ว่ามันเจ็บแต่อย่าไปอยากให้มันหายเจ็บเราก็จะอยู่กับมันได้อันนี้ก็ปัญญาแล้วจิตก็จะสงบมากขึ้นสงบได้นานขึ้น เวลาจิตสงบเราก็ปล่อยให้มันสงบไปจนกว่ามันจะถอนออกมาเองเราไม่ต้องไปกำหนดเวลาให้มันออกมาถ้ามันยังไม่ออกก็ปล่อยมันอยู่ไงั้นไปอยู่ได้นานเท่าไหร่ ย, ยิ่งดีเพราะมันเป็นความสุขงั้นก็ต้องแล้วแต่ว่าเราอยู่ในสภาพไหนอยู่ในขั้นตอนไหน อั้นตอนแรกถ้าไม่มีวิไหนไม่มีการควบคุมบังคับมันก็จะไม่นั่งไม่เดินมันก็ต้องบังคับมันกำหนดเวลาพวกที่ไปเข้าคอร์สเนี่ยก็เพื่อว่าจะได้ไปปฏิบัติไปเข้าคอร์สเขาก็จะบอกเวลาเตื่นเวลานี้เดินจยกกลเวลานี้นั่งสมาธิเวลานี้มีเหมือนกับเข้าห้องโรงเรียนพอเราไปฝึกแล้วเราก็กลับมาใช้ เวลากลับมาบ้านแล้วก็เตือนเวลานี้เดินยงกลมเวลานี้นั่งเวลานี้ทีนี้เราเป็นคารวะมีงานการมันก็เลยหาเวลามาเดินมานั่งไม่ค่อยได้เพราะมันจะต้องมัวแต่ไปทําธุระไปทํางานไปทํานู่นทนํานี่กับคนนั้นคนนี้เวลาที่จะมาจะเจริญสติเวลาที่จะมานั่งสมาธิจึงหายาก แต่ถ้าเราอยากจะได้สติได้สมาธิจริงๆเราก็หาเวลาได้เอาเวลาที่เราไปใช้อย่างอื่นมาเจริญสติมานั่งสมาธิเช่นเวลาดูทีวีก็ตัดมันไปเวลาคุยกับเพื่อนโทรศัพท์ก็คุยกับเพื่อนก็ตัดมันไปเอาเวลามาจเจริญสติเอาเวลามานั่งสมาธิแทนอีกหนึ่งคำถามสุดท้ายเจ้าค่ะ หนวเองปฏิบัติทำมาได้สักระยะหนึ่งจนรู้สึกว่าตัวเองไม่อยากกลับมาใช้ชีวิตทางโลกเท่าไหร่มายถึงไม่อยากมีครอบครัวไม่อยากสะสมทรัพย์แล้วเจ้าค่ะทีนี้แม่อยากจะให้มีคู่ด้วยเหตุผลที่ว่าจะได้มีคนดูแลเวลาเขาไม่อยู่โยมจะตอบคำถามแม่อย่างไรดีเจค่ะที่เป็นการถนอมใจเกิ้เกิดถ้าเกิดคนที่เราคิดว่าจะมาเลี้ยงเรากลับมาเตะเรามาถีบเราอย่างทําไม มีใครรับประกันได้หรือเปล่าว่าเขาจะมาเลี้ยงเราพระจ้าสอนให้อัตตาเหี้ยตอนโนนาเถอะตอนเป็นที่พึ่งของตอนไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นเพรากคนอื่นมันไม่แน่นอนนี้ไม่ดีมันมาฆ่าเราก็ได้ะอยู่คนเดียวดีแล้วไปหาภัยมาใส่ตัวทำไมไปหาเหามาใส่หัวทำไมเราจะไม่รู้แตอว่าเขาจะเป็นคนดีหรือคนชั่ว เกิดไปทำอะไรมันเขาไม่ถูกใจก็เหมือนองูงูเห่ามาเลี้ยงที่บ้านพอไปเหยียบหางมันเข้ามันก็กลับนะเอาแฟนมาอยู่ด้วยเดี๋ยวเกิดทําอะไรให้มันไม่พอใจเดี๋ยวมันก็ซ้ำเราเนะกาบ็บอกเอาแม่บอกแม่ว่าวิถชีวิตของหนูห น, หนูหนูดูแลได้คนเดียวไม่ต้องไม่ต้องมีใครอ่าดูแลไม่ได้ก็ตายดีกว่า <c oughs> ดูพระสององค์เจ้าท่านก็ไม่มีใครดูแลท่านก็ดูแลตัวท่านเองถ้าดูแลไม่ได้ท่านก็ยอมตายก็จบแั้นท่านก็ต้องตายอยู่ดีต่อให้มีคนดูแลดีขนาดไหนมันก็ยังตายอยู่ดูได้หลวงเนยะมีคนดูแลมีหมอเป็นสิบธิ์มีรอประคเป็นร้อยเป็นพันน้้วไปยังไงถึงเวลาจะตายใครดูแลได้บ้านก็ดูแลไม่ได้ นั่นอย่าไปกังวลไงกับเรื่องความตายมันต้องตายแน่ๆถ้าให้มีใครดูแลไ ม, ม่ดูแลมันก็ต้องตายโยมคิดไม่คิดว่าตัวโยมเองเนี่ยไม่คิดจะมีคู่ดูแลก็ค่ะแต่ระหว่างเชื่อใจตัวเองกับเอาใจความ น, นึกถึงแม่คือแม่อยากให้มีนเพราะว่าเดี๋ยวเขาตายไปเขาเกรงว่าเราจะไม่มีคนดูแลก็เลยสู้กันว่าเราควรจะตอบแม่เราอยไรเป็นการถนอมใจ แต่ตัวโยมเองไม่ไม่คิดเรื่องการสร้างสังคมอยู่แล้วเจ้าค่ะเรื่องนี้ไม่ต้องไปถนอมน้ําใจกันถนอมใจเราเถอะใจคนอื่นเขาก็เรื่องของเขาะมันไปถนอมน้ําใจเขาแล้วมาเหยียบย่ำจิตใจเรามันไม่ถูกครับตราบใดที่เราไม่ได้ไปเหยียบย่ำจิตใจเขาก็แล้วกันเขาเปองเป็นคนที่เหยียบย่ำจิตใจเขาเองมาอยากมายุ่งกับเรื่องของเราเอง พอเราไม่ไปทำตามที่เขาอยากเขาก็เสียใจเขาก็โกรธเราอันนั้นก็เรื่องช่วยไม่ได้เราไม่ได้ไปทำอะไรเหมือนพ่อพระพุทธเจ้าก็เสียใจเวลาพระพุทธเจ้าออกไปออกบวชทิ้งครอบครัวทิ้งราชสมบัติไปแต่ตอนหลังก็มาเห็นคุณของการไปบวชพอกลับมาก็มาช่วยให้พ่อได้หลุดพ้นถ้าพระพุทธเจ้าไม่ไปพ่อก็ไม่หลุด พ่ก็ยังติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่พระอาจารไปค้นพบทางสู่การหลุดพน้นก็กลับมาสอนพ่อพ่อก็ได้ลุกก็เลยได้หลุดพ้นด้วยอย่างนั้นเรื่องใจของคนอื่นนี้มันก็อันไหนที่ทำได้ก็ทำไปอันไหนทาไม่ได้ก็ต้องก็ต้องยืดบนความความเป็นจริงไป เกรงใจเขาถ้าการเกรงใจนะั้นมันทําให้เกิดความเสียหายกับเราอันนี้ไม่ได้ถือว่าไม่กตัญญูการกรตัญญูคือการดูแลแม่เช่เลี้ยงดูแม่แม่ไม่มีอาหารก็หาอาหารมาให้อะไรทํำนองนี้แต่การทําตามใจแม่นี้ไม่ได้เป็นการความเป็นความกตัญญู หรือไม่ไม่กระตันอยู่มันต้องอยู่ที่เหตุผลว่าสิ่งที่แม่ให้ทํานั้นมันควรหรือไม่ควรการที่แม่คิดแบบ ก, กิเลสคิดว่าจะต้องมีคู่มีคนคลองรักจะได้มีคนดูแลกันแต่แม่คิดมุมเดียวไม่มุมกลับว่าถ้าเกิดคนที่เร า, เาให้เขามาดูแลเราเกิดเข้า เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอามตะพก่งอามตาะพาดแล้วขายไปคนดูแลกันนะเคยคิดอย่างนั้นบ้างไหมแต่ตอนนั้นแทนที่เขาเจะมาดูแลเราเราก็ต้องไปดูแลเขาเองมันคิดไม่มันไม่คิดมุมกลับกันมันจะคิดแต่มุมได้อย่างเดียวมันไม่คิดถึงมุมเสียบ้างนั้นก็ต้องใช้เหตุใช้ผลคิดดูให้ดีอ ก็ตอนนี้ก็พอสมควรแก่เวลาในช่วงแรกก็จะอนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวะหาปุรปาปะริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิตูทินังเปตานาังอุปกาปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิ ป, ปเมวะสมิจตุ สัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสพีติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตาบายุสุขีทีขายุโกภาว อาภีวาทนสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารูธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังพาลาง อ, อันนี้เพนทูขมาเท่าไหร่อันนี้สูงสุดสี้อยาิอ่าอนี่เกินสี่ล้อยนะอยู่ก้าสส เกียบร้อยลน ะ, นนะเป็นอะไรนอกมีอะไรอยากจะถามไหมอาจารย์ที่จาบอกว่าถ้าฝืนความอยากไปเรื่อยๆค่ะเพื่อหๆบอกว่าความสุขมันมีทั้งความสุขทางใจความสุขทางกายถ้าเมื่อก่อนเราก็หาความสุขทางกายไปเที่ยวอยากไปเที่ยวก็ไปแต่เดี๋ยวนี้คือพยายามที่จะไม่ไปมันก็หนุดหงิ เหมือนกับเวลาที่เราอยู่ทังโลกแล้วก็หมุนขึ้นมาไม่ได้ไปแต่อันนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ไปเรื่อยๆมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆอย่อามันต่อไปมันก็จะหมดกําลนะังก็รู้สึกว่ามันก็ขานะครับมันก็หายอยากเองแล้วก็สบายา ด, ด้วยไม่ต้องออกไปนช้นนนชีวจตทําอย่างนั้นไปเรื่อยเดี๋ยวต่อไปมันก็ไม่ไปลนะอยู่บ้านสบายกว่าออกไปข้างนอกวุ่นวาย อแต่เป็นเงินๆก็ใช้สมาธิช่วยก็ได้นะครับเ ว, เวลาจิตจิตจะรวมลงครับทีนี้วิธีการการนั่งดูลงครับเวลาจิตรวมลงนี่เราเราสามารถใช้วิธีอื่นในในการในการกรอจิตให้มันอยู่ในในสภาวะจิตนั้นนะครับทีนี้เวลาผม กิจรวมลงคราวนี้ก็ลมก็าบางลงไม่มากครับแต่ว่าผมสังเกตว่าเวลากิตที่รวมได้เวลาลงปึ๊บผมลงไปการหายใจนิดหนึ่งครับแล้วค่อยๆไล่ไล่ตามลมขึ้นมาตามตามตามอารมณ์จิตครับอืมทีทนี้ผมจะถามอาจารย์ว่าถ้าเกิดว่าเหมือนวิธีการเข้าออกของจิตเราแต่ละครั้งเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันไหมครับก็ไม่รู้แล่ะเหมือนหรือเปล่านะก็ดูเอาสิ ท, ทีนี้เนี่ ผมคงว่าทํายังไงให้มันเสะเทือนะครับสมมติว่าจิตจะมันจะรวมเราจะช้อนอยังไงให้ให้มันอยู่ในไม่ต้องไปช้อนไม่ต้องไปยุ่งกับมันอย่าไปช้อนอย่าไปยุ่งกับมันมันจะรวมไม่รวมมันก็เรื่องของมันเรามีหน้าที่ดูลมก็ดูลมไปอย่างเดียวอ๋อคือไม่ไม่ต้องปรับลมให้ต่าง ไ, ไปปรับไปช้อนมันมันก็ทํางานแล้วทํางานมันก็จะไม่รวมนะต้องดูลมอย่างเดียวจิตจะเป็นยังไงไม่ต้องไปสนใจถ้าถ้าจะถอนก็ต้องถอนถ้าจะลงก็ ลงไม่ไม่ไปควบคุมไม่ได้ถอนก็ก็นึงมันมาคิดมันก็ถอนเนาะพอเริ่มคิดมันก็ถอนเนาะผมผมคิดว่าข<ม>องผมถอนตรงวิธีการนะครับวิธีาาทางก็ทํำยังไงให้รวมก็เลยถอนนะก็นั่งจะไปถอนมันทำไมนั่งเพื่อให้มันรวมก็ม อ, อาจจะโลภมากครับกลัวไม่รวมนี่เป็หาวิธี อ, อ่าก็ก็ขิดดังนั้นก็ถอนนั่งไม่ให้โลภนั่งให้ดูเฉยเฉยให้รู้เฉยเฉย ให้ดูร่มเเฉยๆคือความผิดของผมก็คือว่าตอนแรกผมนั่งแล้วรวมทีนี้ก็เกิดความโลภว่าจะทํำยังไงให้รวมได้ทุกครั้งเนี่ยครับเออไม่ต้องก็ทําอย่างที่เคย ท, ำทํำสิตอนนี้มันรวมมันรวมยังไงก็ทําอย่างนั้นสิอนุญาตครับอ่บาเวลาเรานั่งภาวนาไปเรื่อยๆเลยครับบางครั้งเนี่ยพอภาวนาไปสักพักหนึ่งเราเริ่มรู้สึกถึงการที่ไม่รู้ ทำภาวนาแล้วไม่รู้ลมหายใจอย่างเงี้ยพอเรากลับมามีสติเรากลับมานึกลมหายใจเข้าออกอย่างเงี้ยมันคูจะแก้ไขยังไงบ้างนะครับก็แสดงว่าช่วงนั้นมันหลับนะมันไม่รู้ในขณนะ น, นั่งสมาธิถ้าไม่รู้ลมไม่รู้วุทธโธนี่ก็แสดงว่ามันหลับเราก็ต้อง อ, อส่วนหนึ่งก็คือสติยังมีกําลังไม่มากพอพอนั่งสบายแล้วมันก็เลยหลับ ก็ต้องฝึกสติให้มากขึ้นก่อนจะมานั่งอย่างที่สอนเนี่ยให้ฝึกสติไปทั้งวันเลยคอยดึงใจให้อยู่กับพุโทโธก็ได้อยู่กับการกระทำของร่างกายก็ได้ถ้าเรามีสติมีกำลังมากเวลานั่งมันจะไม่หลับสองก็การกินมากเกินไปก็ทำให้หลับง่ายก็ต้องลดปริมาณการกินอาหารลง สามถ้าไปอยู่ที่มันน่ากลัวได้ก็ยิ่งดีมันก็จะไม่หลับมีสามวิธีเนี่ยที่พอที่จะแก้ปัญหาเรื่องของการนั่งแล้วหลับได้แล้วขณะเวลาที่เราปวดแล้วปวดหัวมากๆครับแล้วเราภาวนาไม่ไม่สามารถภาวนาได้ครับจนสึกปวดหัวทเนี้ยเราจะสามารถแก้แก้แกยังไงได้บ้า ง, งาก็เช่นเดียวกันเนี่ยเพราะเราไม่มีสติครับ ถ้ามีสติเราก็พุทโธพุทโธไปอย่าไปสนใจกับอาการปวดแล้วอาการปวดมันจะปวดมันมีสองสองอันไงปวดใจกับปวดกายปวดกายนี้มันก็ไม่รุนแรงถ้าเรามีสติเราก็จะหยุดความปวดใจได้เราจะไม่รู้สึกทรมานกับการปวดของกล้าอ้างกายก็จะอยู่กับความปวดของร่างกายได้แต่ถ้าเราไม่มีสติใจเราก็จะปรุงแต่งอยากให้มันหายปวด พอยิ่งอยากให้มันหาให้ปวดมันยิ่งทรมานใหญ่งั้นเราก็ต้องใช้พุทโธเนี่ยเวลามันปวดแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดเพงความปวดของร่างกายไม่สนใจมันจะปวดก็ปวดไปเรื่องของมันห้ามมันไม่ได้ให้อยู่กับพุทโธพุทโธเพื่อหยุดความปวดทางใจพอความปวดทางใจมันหายไปแล้วจะอยู่กับความปวดทางร่างกายได้อสบาย ใช่ครับอ่ากรณีตามรู้อารมณ์เนี่ยบางครั้งเนี่ยพอเรารู้ว่าเราโกรธปุ๊บเรามีสติเราเอาสติไปจับเนี่ยบางครั้งอารมณ์โกรธมันหายบางครั้งเนี่ยพอเรารู้โกรธเอาสติเข้าไปจับปุ๊บเนี่ยมันไม่หายเลยมันไม่หายเลยมันเพราะมันแรงกว่าเนี่ยมันแรงกว่าสติมันมีกําลังมากกว่าสติความโกรธมันมีหลายระดับโกรธน้อยโกรธมากนั้นสติเรามันมีระดับเดียว ถ้าเราเจอความโกรธที่มันอยู่ในระดับที่เราหยุดมันได้มันก็หยุดถ้าไปเจอความโกรธที่มันมีกำลังมากกว่าก็หยุดมันไม่ได응้ก็ต้องฝึกสติให้มากขึ้นแต่การหยุดความโกรธด้วยสติก็จะหยุดเป็นช่วคราวมันจะไม่หายโกรธไปตลอดเดี๋ยวมันก็โกรธใหม่ได้วิธีที่จะทำให้หายโกรธอย่างถาวรต้องใช้ปัญญาต้นเหตุของความโกรธก็คือความอยาก ที่เราโกรธเนี่ยเพราะมักจะไม่ได้ดังใจอยากใช่ไหมอยากจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่ได้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็โกรธขึ้นมาสั่งก๋วยเตี๋ยวแล้วเข้าข้าวผัดมาให้เนี่ยมัก็โกรธก็อยากกินก๋วยเตี๋ยวพอได้ข้าวผัดมันก็โกรธอาหารเราต้องอยากไปลดความอยากลงสั่งก๋วยเตี๋ยวแต่ทําใจว่าอาจจะได้ข้าวผัดพอได้ข้าวผัดก็จะไม่โกรธเข้าใจไหม ก็คือให้ลดความอยากลงแล้วความโกรธก็จะน้อยลงไปตน้นปัญหา <_ d ata> เพราะว่าสิ่งที่เราอยากได้มันไม่แน่นอนไงเราอยากให้เป็นอย่างนี้เดี๋ยวมันไม่เป็นอย่างที่เราอยากได้เราก็โกรธแต่ถ้าเราไม่มีความอยากให้ก็เป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นอย่างนี้เราก็จะไม่โกรธยังถ้าเราอยากจะแก้ความโกรธอย่างถ้าวนมันต้องไปแก้ต้นเหตุของความโกรธต้นเหตุของความโกรธ ก, ก็คือความอยาก แล้วจะแก้ปัญหาต้นเหตุของความอยาก mm. ก็ต้องไปแก้ที่ความหลงความหลงที่ไปคิดว่าได้สิ่งนั้นมาแล้วจะได้ความสุขอย่างเหมือนแม่เขาเนี่ยได้ได้ลูกเขยมาดูแลลูกสาวแล้วลูกสาวจะมีคนดูแลแต่เราดูแล้วถ้าเกิดเขาเปลี่ยนไปล่ะถ้าเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเราจะเป็นยังไงมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาจะกลายเป็นความโกรธกันขึ้นมา mm. แต่งงานกันแล้วเดี๋ยวก็มาทะเลาะ ก, กัน เพราะเขาไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิดว่าเขาจะเป็นถ้าเราเห็นว่าเขาไม่แน่นอนเราก็อย่าไปมีเขาไม่ดีกว่าจะได้ไม่ต้องมาโกรธไม่ต้องมาทะเลาะ ก, กันอลับแล้วนะนนทีปีหนุนอาจารยนะ์ไหมครับถ้ามีปัญญามันก็จะไม่อยากได้อะไรไม่อยากให้ใครเป็นอะไรใครอยากเป็นอะไรก็เรื่องของเขาปัญญาจะเห็นว่าทุกอย่างเป็นเหมือนดินน้ำลมไฟ ฝนฟ้าอากาศเนี่ยคนไปอยากได้ไหมอยากให้มันตกอยากให้มันไม่ตกได้ไหมฝนเนี่ยมันจะตกมันก็ตกมันจะหยุดมันก็หยุดถ้าเราไปอยากให้มันหยุดมันไม่หยุดมันเราก็ทุกข์ถ้ามันไม่ตกเราอยากให้มันตกมันเราก็ทุกข์เองแต่เราไม่ค่อยทุกข์กับฝนฟ้าอากาศใช่ไหมเพราะเรารู้ว่าเราไปอไปอยากไม่ได้ไม่ได้ดังใจอยาแต่ทําไมกับเรื่องอื่นทําไมเราคิดว่าเราอยากได้ พอเราไม่เห็นว่ามันเป็นเหมือนฝนฝ้าอากาศแล้วพออยากว่าไม่ได้ก็เลยทุกข์ก็เลยโกรธขึ้นมาฉะนั้นพระเจ้าบอกมองให้มองมองให้เห็นทุกอย่างว่าเป็นสัพเพธรรมานตตาทุกอย่างเป็นธรมนนนธรมชาติอนัตตานี่แปลว่าธรรมชาติไม่มีตัวตนไม่มีใครไม่มีอะไรทุกอย่างเข้ามาเ็้าไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าเราลด ถ้ามีปัญญาเราก็จะไม่อยากกับอะไรใครจะพูดอะไรไม่พูดอะไรก็เรื่องของเขาใครจะดีใครจะช่วก็เ่องของเขานะเนื่องก่อนจะ ไ, ไปถึงปัญญาได้มันต้องมีสติก่อนมีสติตามใจหยุดให้คิดหยุดให้ได้เพราะถ้าหยุดใจไม่ได้ก็หยุดความอยากไม่ได้ ถึงมันจะมีปัญญาบอกว่าความอยากไม่ดีก็ยังหยุดไม่ได้ต้องมีสติหยุดใจให้ได้ก่อนเมื่อมีสติมีกำลังหยุดใจได้แล้วก็ใช้ปัญญามาสอนใจว่าอย่าไปทำตามความอยากพอบอกให้ไม่ทำ ต, ตามความอยากก็หยุดความอยากได้ในเวลาปวดหัวอย่าไปอยากให้มันหายยิ่งอยากให้มันหายมันยิ่งปวดใหญ่ก็หยุดความอยากหาปวดแล้วความปวดมันจะไม่นแรง มันจะปวดเพียงครึ่งเดียวปวดที่ร่างกายแต่มันไม่ ไ, ไปปวดที่ใจด้วยความปวดส่วนใหญ่อยู่ที่ร่างอยู่ที่ใจคนที่มีสติมีกําลังหยุดใจนี้ไม่ต้องกินยาแก้ปวดเพราะมันมันไม่ดุนแรงปวดทางร่างกายมไม่ดุนแรงอยู่กับมันได้แต่คนที่ไม่มีสตินี่ต้องพึ่งยาพอปวดที่ร่างกายแล้วมันปวดที่ใจด้วย เลยต้องกินยาเพื่อลังงับความปวดที่ร่างกายเพื่อความปวดที่ใจก็จะได้ลังับไปด้วยแต่กินยาแล้วก็ไปติดยาติดยาแก้ปวดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวก็ก็ยิ่งมีปัญหาใหญ่ขึ้นไปยั mm hmm. ย้นใช้สติใช้ปัญญาเนี่ยเป็นธรรมโอสเปัญญาที่แท้จริงมีธรรมโอสดแล้วไม่ต้องกินยาพระพุทธเจ้าพระลักษเนี่ถ้าไม่ต้องกินยาก็ กินก็ได้ไม่กินก็ได้กินก็ทำให้ร่างกายมันอาจจะหายอาจจะอยู่ได้นานขึ้นแต่ถ้าไม่กินมันก็ปล่อยมันไปตามสภาพของมันม่นไงมันก็ต้องตายอยู่ดีแต่ใจไม่ไม่เดือดร้อนกับการกินหรือไม่กินอย่ากินก็ได้ไม่กินก็ได้แต่คนที่ไม่มีสติไม่มีปัญญานี่ต้องกินอย่างเดียวถ้าไม่กินแล้วมันทรมาน ไม่มีใครถามจะให้ทางบ้านถามมั่งน ะ, ะ, ะเรื่อนเข้ามาคําถามจากคุณคมฝันเมื่อสั่งสารวัตรเป็นสิ่งที่ต้องชําระและก้าวให้พ้นผ่านเราต้องชําระหรือมีข้อทําใดมีหลักการใดให้ก้าวขับข้ามผ่านพ้นไปได้ครับก็การปฏิบัติศิ่งสมาธิปัญญาก่อนที่จะเข้าสู่การปฏิบัติสิลสมาธิปัญญาได้ก็ต้อง สละทรัพสมบัติเข้าของเงินทองไปก่อนไม่ไปหาเงินทองไม่ไปใช้เงินทองคือไปบวชบวชก็ต้องทาทานสละทรัพย์ ส, ส, บสมบัติเข้าของเงินทองเพื่อเราจะได้มีเวลาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้อย่างเต็มที่ถ้าเรายังต้องทำงานหาเงินใช้เงินอยู่เราก็จะไม่มีเวลามาเจริญศีลสมาธิปัญญาได้อย่างเต็มที่ ก็จะไม่สามารถก้าวข้ามสังสารวัฏไปได้วันนี้คำถามจากคุณเกิดเกี่ยวกับเรื่องปวดศีรษะระหว่างพวนาคะาอาจารย์ตอบไปแล้วนะคะคำถามจากคุณปรัชญาถ้าเรารักษาสิห์ทาได้อย่างดีทำกรรมดีมากกว่ากรรมชั่วแต่การเจริญสติ ข, ของเรายังไม่ดีในขณะที่เราต้องตายหมดลมหายใจใจกลัวตายยังปล่อยวางร่างกายไม่ได้พุงสัน ด้วยเหตุทั้งหมดนี้เมื่อตายแล้วใจใจจะไปสู่ภพที่ไม่ดีไหไม่ครับอ่อยู่ที่บุญกับบาปถ้าเราบุญมากกว่า บ, บาปมันก็จะไปสู่สุคติถ้าบาปมากกว่า บ, บุญมันก็จะไปอบายเหมือนเกวียนที่มีมีวัวสองตัวคอยลากลากตัวหนึ่งอยู่ข้างหน้าตัวหนึ่งอยู่ข้างหลังก็แล้วแต่ว่าตัวไหนมีกำลังมากกว่าถ้าเลี้ยงตัวตัวที่อยู่ข้างหลังถ้ามันกินข้าวเยอะ ไอ้ตัวข้างหน้าแม่มันกินข้าวเลยไอ้ตัวข้างหลังมันก็มีแรงมากกว่ามันก็จะลากไปทางมั่งข้างหลังไอทางตรงข้ามถ้าเลี้ยงตัววัวที่อยู่ข้างหน้าให้มันมีกินเยอะๆไอ้วัวที่อยู่ข้างหลังให้มันกินน้อยๆไอ้วัวที่อยู่ข้างหน้ามันก็มีกําลังมากกว่ามันก็จะเดินไปข้างหน้าเวลาเราทําบ <c oughs> ุญก็เหมือนกับเราทําให้บุญมีกําลังมากขึ้นเวลาทําบาปก็จะทําให้บาปมีกําลังมากขึ้นมันก็สะสมไปเรื่อย พอถึงเวลาที่เราตายไปไอวัวสองตัวนี้บุญกับบาปมันก็จะมามาชักกรเยอะกันมันดึงเกวียนดึงใจเราว่าจะให้ไปทางไหนกันถ้ า, าบอกว่าถ้าเราทําบุญมากกว่าทำบาปเราก็จะไปทางสุกติไปเป็นมนุษย์หรือไปเป็นเทวดากันท่านนี้นะถ้าทําบุญถ้านั่งสมาธิได้ก็ไปขั้นพรหมกันถ้ามีปัญญาได้ก็ไปขั้นพระอริยะกัน ถามจากคุณพงพรขันติกับอุเบกขาสิ่งไหนที่ทำให้เรามีความสุขมากกว่ากันเจ้าคะเคยถามวันนีคถามนี้อุเบกขานี่แหละเป็นตัวที่ทำให้เรามีความสุขเมื่อเรามีความสุขแล้วเราก็มีขันติขันติเป็นผลที่ได้จากอุเบกขาถ้าไม่มีอุเบกขานี่ขันตินี่ต้องฝืนเป็นขันติฝืนฝืนฝืนได้ไม่นานเดี๋ยวก็หมดกำลัง แต่ถ้ามีอุเบกขาแล้วไม่ต้องฝืนมันเฉยโดยธรรมชาติมันเฉยกับทุกอย่างได้เฉยกับความด่าใช้กับความหิวของร่างกายเฉยกับความทุกข์ยากลำบากต่างๆได้คำถามจากคุณวีรพัสนพระอาจารย์คะถ้านั่งสมาธิเราเห็นเป็นวงวงแสงแสง แล้วให้นั่งไปเรื่อยๆไม่ต้องสนใจใช่หรือเปล่าครับเอออย่าไปนสนใจอะไรที่มาปรากฏให้เห็นให้เราอยู่กับลมหายใจไปหรืออยู่กับพุโทโธไปเราใช้อะไรก็ให้ใช้ตัวนั้นเป็นตัวผูกใจนึงใจไว้ถ้าไปเห็นอย่างอื่นเดี๋ยวมันจะพาให้เราหลงพาให้เราไปวุ่นวายไม่สงบแต่เราอยู่กับพุโทโธหรืออยู่กับลมหายใจเดี๋ยวมันจะเดินเราเข้าสู่ความสงบ การนั่งสมาธิเราไม่ต้องการเห็นอะไรไม่ต้องการรู้อะไรเราต้องการให้ใจสงบเพียงอย่างเดียวคำถามจากคุณไปอยากนั่งภาวนาพุทโธแล้วน้าลายลบรบกวนมากแก้อย่างไรคะก็ปล่อยมันไหลไปเลยอย่าไปยุ่งกับมันถ้าไปยุ่งกับมันแล้วเดี๋ยวมันก็มันก็ทิ้งร่างกายไม่ได้ปล่อยร่างกายไม่ได้การนั่งสมาธิเพื่อให้ใจเข้าสู่ความสงบใจจะสงบต้องปล่อยร่างกายถึงจะเข้าไปได้ เวลานั่งเราอย่าไปสนใจกับอาการของร่างกายมันจะปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้มันจะน้ำลายไหลมันจะเอนไปทางซ้ายเอนไปทางขวาช่างหัวมันเราพุทโทรไปอย่างเดียวดูลมไปอย่างเดียวคำถามจากคุณเพ็งจันเวลานั่งสมาธิพร้อมเสียงเทศของครูบาอาจารย์ก็นึกตามเสียงเทศไปจนจบไม่ได้นึกโลกแวทไปข้างนอกแต่พอจบการเทศแล้วเลิกนั่งนั่งพร้อมหมู่คณะหลายคน มักจะจำเรื่องราวเทศนั้นๆไม่ได้เป็นเพราะอะไรเจ้าคะจำเรื่องเรื่องที่เทศไม่ได้ก็ไม่ต้องจําเวลานั่งเวลานั่งนี่เราไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ไปนั่งพิจารณาตามเราจะจําไม่ได้ถ้ า, าจะนั่งฟังเสียงไปเราก็จะจําอะไรไม่ได้ใช้เสียงเป็นเป็นตัวกล่อมใจถ้าเราอยากจะจําได้เราต้องพิจารณาตามแล้วเราพิจารณาแล้วเราเข้าใจมันก็จะอยู่ในใจเราล้วก็จะจําได้ ส่วนที่เราไม่เข้าใจเราก็จะจําไม่ได้เอเมนถ้าเราต้องการนั่งเพื่อให้เกิดความจําได้เกิดความเข้าใจเราต้องพิจารณาตา่างถ้าเรานั่งเพียงแต่ฟังเสียงไปอย่างเดียวเราก็จะจําอะไรไม่ได้คาถามจากคุณสุภาดานั่งสมาธิแล้วรู้สึกตัวหนังเหมือนหินตัวตัวหนักเหมือนหินต้องทําอย่างไรคะก็ช่างมันไงบอกไม่ต้องไปสนใจ ให้ภาวนาต่อไปบางทีก็หนักเหมือนหินบางทีก็เบาเหมือนขนนกลอยขึ้นมาบางคนก็หดบางคนก็พองเอ้ยจิตมันหลอกเราอย่าไปสนใจให้อยู่กับพุโทโธอยู่กับอารมณ์ที่เราใช้กำขับใจไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายไปหมดมคุณส่ย เวลานั่งสมาธิจิตนิ่งเป็นอาการแบบไหนครับก็ต้องต้องทำดูเลยถึงจะรู้เหมือนกินข้าวเวลากินแล้วมันอิ่มมันเป็นยังไงลองกินดูเลยอธิบายไม่ได้หรอกของนี้มันเป็นเรื่องของความรู้สึกข้บ ถ, ถามจากคุณอันดมามันถ้าเราบวชหน้าไฟคนที่เราบวชให้จะได้รับบุญไหมครับไม่ได้หรอกคนที่บวชนะได้ ถ้าอยากจะให้คนที่ตายไปได้บุญก็ทําบุญไปเสียงเงินหน่อยแม้ไม่ยอมเสียงเงินเรือว่าชอบส่งบุญแบบไม่เสียงเงินงนั่งสมาธิบ้างรักษาศีลบ้างแล้วก็จะเอาบุญนี้ส่งไปให้เขายังไม่ได้บุญเลยยังไม่ส่งไม่ได้ไงศีนก็รักษาได้ปั๊บเดียวสองสามชั่วโมงแล้วจะส่งบุญไปแล้วสมาธินั่งยังไม่สงบก็จะส่งบุญไปแล้วไม่ได้หร อ, อกพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ทําทาน ถ้าอยากจะส่งบุญให้คนตายไปให้ทำทานได้ทันทีกดเอทีเอมป๊บจ่ายเงินป๊บโอนเงินปั๊บนี่ได้ทันทีเลยอาจารย์ดลว่าปุถุชนก็ไปธรรมดาที่ทนนท อ, อยากจะส่งบุญบนี่คือหลัอ่านง่ายสุ ด, แ, สด แ, แต่ถ้าเป็นพระอริยะหรือพระที่นั่งสมาธิได้ยังนี่คือสมาธิก็ส้สัมผัสแ่ได้ <laughs> ก็ไม่รู้แผนหรือเปล่าจะไม่แผ่ก็ได้ พูดถึงความสามารถนะครับคุณชลได้แค่ทานส่วนใหญ่ท่านถ้าท่านติดต่อกันได้ท่านก็ให้ธรรมะ ใ, ให้ธรรมะสอนธรรมะติดต่อกับกายที่ติดต่อกันดวงวิญญาณท่านก็จะสอนให้เขามีธรรมและใจเขาก็จะได้ความสุขคำถามจากคุณเจตจรินการโดนดูถูกจะใช้ธรรมะข้อไหนดีคะก็ปล่อยก็ดูถูกไปไงแค่นั้นเอง อย่าไปถือตัวถือตนตัวตนไม่มีเราเป็นตัวรู้เราไม่ได้เป็นนายกรนายขอเราไม่ได้เป็นตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้อันนี้เป็นสมมติเป็นตัวละครไม่มองว่าสิ่งต่างฐานะต่างๆที่เราเป็นอยู่ตอนนี้เป็นเป็นฐานะชั่วคราวเป็นตัวละครตัวจริงที่แท้จริงของเราคือตัวรู้แเราให้เรารู้ว่าเขากําลังพูดไม่ตรงกับฐานะของเรา ฐานะสมมุติของเราเท่านั้นเองเราเป็นคนก็เรียกเราควายอย่างนี้เก็บอกว่าเขาไม่ได้พูดตามฐานะของเร า, เาก็รู้เฉยๆไปไม่ต้องไปโกรธเขาเลยเราเป็นคนก็เป็นคนเขาเราก็ไม่มีหางเราก็ไม่มีแล้วเราจะเป็นควายได้ไงเราเอะเขาอยากจะว่าเราเป็นควายก็เรื่องของเขาเราห้ามเขาไม่ได้ปากเขาเอาใจเขาเราห้ามไม่ได้แต่เราห้ามใจเราได้ ด้วยด้วยปัญญาให้รู้ว่าอ่คนตามบอดมันเห็นคนเป็นควายก็ช่วยไม่ได้ถ้าเหมือนไม่ได้คําถามจากคุณวานิษฐ์าบุญติดบุญ ท, บทําบาปติดบาปคืออย่างไรครับไม่รู้เหมือนกันอ่ะโอ้คาถามอะไรแปลกๆนี่ไม่ตอบขี้เกียจตอบอ่ะ next คำถามจากคุณดวงพร สิทธิ์ที่มีอาจารย์หลายๆท่านดีไหมคะอยู่ช่วงศึกษาหาความรู้ทางธรรมค่ะสงสัยหากมีเวลาอยากทราบค่ะก็แล้วแต่ว่ามีอาจารย์ดีๆแล้วผลมันดีหรือเปล่าถ้าบางทีมีอาจารย์หลายๆคนมันก็ดีอาจารย์คนหนึ่งอาจจะเก่งทางสมาธิค น, นอาจจะเก่งทางปัญญาอีกค น, นึอาจจะเก่งทางศีลถ้าได้แบบนี้มันก็ดีแต่ถ้าได้อาจารย์หลายๆคนมาตีกันมาชนกันมันก็ไม่ดีมันก็ต้องดูว่าอ คำสอนของแต่ละอาจารย์นี่มันไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่าถ้ามันไปคนละทิศคนละทางมันก็ต้องต้องเลือกแล้วว่าทางไหนถูกทางไหนไม่ถูกคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามทานกําจัดกิเลสอย่างหยาบศีลกําจัดกิเลสอย่งางกลางภาวนากําจัดกิเลสอย่างละเอียดกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างกิเลสอยา่างหยาบกิเลสอย่างละเอียดคืออะไรคะ ก็ความตนีก็อย่างหยาบความตนีความโลภอยากได้เงินทองอยากได้ของของคนอื่นนี่เขาเรียกว่าเป็นกิเลสอย่างหยาบ ก, ก็เลยต้องใช้ทานกาจัดกำจัดความตนีกำจัดความโลภอยากได้ข้าวของเงินทองของคนอื่นถ้าให้ทานบ่อยๆแล้วมันก็จะไม่อยากได้ของขวเพราะได้มาก็ต้องเอาไปให้อยู่ดีอันนี้ก็จะกำจัดความ ความโลภความตนีส่วนเซนก็กําจัดการกระทําการเบียดเบียนผู้อื่นความอยากคิดทําร้ายผู้อื่นความโกรธความโลภเหมือนกันบางทีโลภอยากได้ของเขาก็ไปขโมยไปฆ่าเขาหรือบางทีโกรธก็ไปฆ่าเขาอันนี้มันก็เป็นกิเลสระดับหนึ่งคือความอยากทําร้ายผู้อื่นความอยากเบียดเบียนผู้อื่นเพื่อประโยชน์ใส่ตนอื อันนี้ก็เป็นกิเลส ข, ขนาดขนาดกลางขนาดหยาบก็ความคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านคิดไม่รู้จักหยุดจับย่อนก็ต้องใช้สติใช้สมาธิหยุดมันใช้ปัญญาหยุดมันคำถามจากคุณณพลการที่เราคาดหวังจากการปฏิบัติมากๆเราไม่สมหวังเป็นเหตุให้เราหนีหายจากการปฏิบัติ เพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะคาดหวังเกินกําลังถูกไหมครับก็ให้คาดตามผลที่เราได้อย่าไปลงทุนสิบบาทแล้วอยากจะได้พันบาทกลับมาลงทุนสิบบาทได้สิ บ, บาทกลับมาก็ถือว่าดีแล้วให้ให้ให้มันเหมาะสมกับกําลังของเราเราทําได้เท่าไหร่ก็พอใจกับผลที่ได้เท่านั้นไปก่อน ขอให้ค่อยทาไปเรื่อยๆขออยับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถ้าอยากได้มากก็ต้องทํามากขึ้นทำห้านาทีอยากจะได้ผลนะมันก็ต้องทําไปเพิ่มเพิ่มเวลาทาไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องทําให้ถูกด้วยถ้าทําไม่ถูกถึงแม้จะทํามากก็ไม่ได้ผลอยู่ดีก็ต้องศึกษาวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องก่อนวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องปฏิบัติอย่างไร นำมาดูแ ล, ล, ก, แลก็นำ ป, ปฏิบัติแล้วถ้าได้ผลมากผลน้อยก็อยู่ที่เวลาที่เราทำถ้าทำน้อยผลมันก็ต้องน้อยทำมากผลก็ต้องมากไปตามลำดับคาถามจากคุณธั ญ, ญรัตน์คนที่ไม่ค่อยทำบุญดูแลบิดามันดาสร้างแต่ความหนักใจให้พ่อแม่เขากลับได้ดีแต่คนที่คอยดูแลกลับได้แต่ความทุกข์ความเสียใจ แต่เราก็ปฏิบัติดูแลท่านจนเสียชีวิตด้วยความเต็มใจบุญตรงนี้จะช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้ไหมคะก็เราตอนนี้ทุกข์ก็เปล่านะคำถามจากคุณปายอนัตตากับอัตตาต่างกันอย่างไรคะมันก็ตรงกันข้าไมไงอัตตาก็ตัวตนอนาตตาก็ไม่มีตัวตนอย่างต้นไม้นี่มีตัวตนหรือเปล่าไม่มีตัวตนใช่ไหม แล้วร่างกายนี่มีตัวตนหรือเปล่าแล้วแต่ใช่ไหมแล้วแต่จะมองไงคนโง่ก็ว่ามีตัวตนคนฉลาดก็ว่าไม่มีตัวตนแล้วความจริงมันมีตัวตนหรือเปล่าพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีตัวตนแต่เราไปมองว่ามันมีตัวตนแสดงว่าเรากับพุทธเจ้าก็มองในคนละมุมแล้วใครฉลาดใครโง่คำถามจากคุณชิลารธ กับเรียนถามพระอาจารย์เคยมีไหมครับตอนที่พระอาจารย์บวชเรียนใหม่ๆนั่สมาธิแล้วติดขัดไปต่อไม่ได้แล้วหลวงตาช่วยสั่งสอนให้หลุดพ้นจากที่ติดขัดอยากทราบว่าพระอาจารย์ติดเรื่องอะไรแล้วหลวงตาท่านช่วยพระอาจารย์แก้ที่จุดติดขัดอย่างไรครับไม่ติดเลยไม่มีติดเลยคุณธัญรัตน์บอกว่าทุกข์มากค่ะทุกข์กับพ่อแม่นะ่ใช่มทติขเขงเกิด คนไหนคนที่เลี้ยงดูพ่อแม่ที่ทุกข์เพราะว่าเราเราทำบุญแล้วอยากจะได้ผลตอบแทนจากผู้หลังจากการทําบุญของเราเนี่ยมันก็เลยทุกข์เพราะว่าเราไปมองผลที่เกิดจากการทําบุญผิดที่เราไปมองการได้ดิบได้ดีได้เงินได้ทองได้เที่ยวได้เล่นว่าเป็นผลจากการทําความดีอันนั้นไม่ใช่เป็นผลจากการทําความดีคนไม่ทําความดีก็ไปเที่ยวไปเล่นได้ ไปได้ได้เงินได้ทองได้ไปขโมยเงินได้การการทำความดีนี้เพื่อให้เรามีความสุขใจสบายใจแต่ถ้าเราทำด้วยความฝืนใจมันก็ไม่สุขใจไม่สบายใจเช่นเราทำจัดด้วยความจาใจไม่ไม่อยากจะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แต่ไม่มีใครเลี้ยงก็เลยกลัวะไรต้องเลี้ยงถ้าเลี้ยงแบบนี้มันก็ยังไม่มีความสุขใจ มันต้องเลี้ยงด้วยความจำเนึกในบุญคุณของพ่อแม่ว่าพ่อแม่เขาเคยเลี้ยงเรามาตอนนี้เขาเลี้ยงเราไม่ได้เราก็ต้องตอบแทนบุญคุณเขาเราต้องมีความดีใจที่ได้ทดแทนบุญคุณของผู้ที่ให้กำเนิดกับเราถ้ามันคิดอย่างนี้มันก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาแต่มันถ้ามันคิดคิดเพราเกลียดกันกูมันทำไมไม่เลี้ยงมาให้กูเลี้ยงเี้ถ้ามาคิดอย่างนี้มันก็ไม่มีความสุขใจจากการเลี้ยงพ่อเลี้ยงมา ที่ฟังดูก็เป็นลักษณะนี้อคนอื่นไม่ยามเลี้ยงไอ้เรามันคงจะหนีไม่ได้คงติดอยู่แล้วก็ต้องเลี้ยงไปคนอื่นมันมีบ้านอื่นมันไปอยู่บ้านอื่นไดน้มันเลยไม่ต้องเลี้ยงเรายังอาศัยบ้านพ่อแม่อยู่มันก็เลยต้องเลี้ยงพ่อแม่ไปพอถึงเวลาจะต้องเลี้ยงก็เลยจำใจเลี้ยงมันก็เลยไม่มีความสุขใจแล้วก็เลยไปโทษว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีหนึ่งพ้อทำด้วยความจำใจ ต้องไปมองผลจากการทำํทำทํานินด้วยความจำใจว่าทํำไมถึงไม่ได้ผลทํามันถึงไม่ได้ดิบได้ดีเหมือนคนที่ก็ไม่ได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแ ม, ม่นั้นเป็นคนละเรื่องกันการทําความดีมันต้องทําด้วยความยินดีแล้วมันจะมีความสุขใจถ้าทําด้วยความจำใจมันไม่สุขเนี่ยถ้าโยมมาทําบุญด้วยความยินดีนี้ยอมมีความสุขใจ แต่ถ้าถูกบังคัว่าให้ต้องมาทำบุญนะมันจะไม่สุขอย่างเวลาที่เขามาเรียลายเราบางทีเรายังไม่พร้อมที่จะทำเลยเวลาช่วงกระถินมานี่ซองมาเยอะแยะเลยมันถูกบังคับให้ทำนี่มันไม่สุขใจหรอกแต่ถ้าเวลาเราอยากจะทำเช่นวันนี้วันเกิดนะพอวันเกิดอยากจะทำบุญขึ้นมาทำแล้วก็เกิดความสุขใจขึ้นมาเงนั้นมันต้องทาด้วยความยินดี มันถึงจะเกิดความสุขใจถ้าทําด้วยความจําใจมันจะไม่สุขมันจะทุกข์ใจได้ก็มันไม่ได้เพราะมันไม่ทําด้วยความยินดีมันไม่สุขใจมันจะได้บุญยังไงมันทําด้วยความฝืนใจคําถามจากคุณธีรพันธ์การมีพระเอ่ยปากขอสิ่งของใดๆที่ท่านต้องการกับโยมที่ใส่บาตรผิดหรือไม่ครับ ก็แล้วแต่ว่าโยมนี้เป็นญาติหรือเปล่าถ้าเป็นญาติขอได้เช่นพ่อแม่พี่น้องที่เป็นญาติกันนี้ขอได้หรือถ้าเป็นโยมที่เปิดโอกาสปวาวนาตัวไว้ก่อนว่าถ้าหลวงพี่ต้องการอะไรก็บอกข้าพเจ้าได้ถ้าเขาภาวนาตัวก็ขอได้แต่ถ้าเขาไม่ได้ภาวนาเขาไม่ได้เป็นญาติขอไม่ได้ แต่อาจจะบอกบุญได้ว่าโยมจิวานนี่มันขาดแล้วนะไม่รู้จะทำยังไงดีอันนี้ไม่ได้จะอังนี้ไม่ได้ขอเพียงแต่บอกบุญบอกให้รู้เผื่อโยมอยากจะทำบุญก็จะได้ทำถ้าไม่อยากทำก็ไม่มีไม่ไม่ไม่เป็นปัญหาอะไรโยมจะไม่รู้สึกเดือดร้อนหรือไม่สบายใจเพราะพระไม่ได้ขอ ถ้าเกิดาพาไปขอแล้วเราไม่ได้ทําบางทีเรารู้สึกไม่สบายใจเพราะว่าบางทีเราอาจจะไม่พร้อมที่จะทําหรือเราไม่ได้ตั้งใจอยากจะทำํำพอก็มาขอมันก็เลยทําให้เราอึดอัดใจขึ้นมาได้นพระอุตตเจ้าจึงสอนไม่ให้ไปขอคนที่เขาไม่พร้อมที่จะให้ไปขอกับคนที่ก็พร้อมได้คนที่เขาบอกไว้ล่วงหน้าว่าถ้าท่านขาดหรืออะไรบอกบอกได้แล้วจะหามา การการภาวนาก็มีหลายรูปแบบแบบแบบแบบเซ็นเช็คแบบไม่เขียนจํานวนอแบบเซ็นเช็กแบบเขียนจํานวนาบาราบางคนก็บอกถ้าท่านจีวานไม่มีกให้จีวานอย่างเดียวบางคนก็มีเวลาด้วยเฉพาะในช่วงเขา้าพรรษานี้สามเดือนนี้าท่านต้องการจีวานก็บอกได้บางคนก็อาจจะมีช่วงเวลาแต่ไม่มี ไม่เกี่ยวกับของใช้นะต้องขาดขาดหรืออะไรขาดยาขาดอาหารขาดยีวอนในสามเดือนนี้ก็ได้บางคนก็ปาวนาแบบไม่มีแวดล้อาเวลาก็ได้ท่านขาดหรืออะไรต้องการอะไรก็ขอให้ท่านโปรดบอกข้าพเจ้าเถิดอาจจะอาจจะวงเล็บว่าถ้าข้าพเจ้าหามาได้ก็ยินดีอันนี้ก็แล้วแต่คนที่ก็จ ะ, ะวาวนาตัวของเขาถ้าก็วานาแล้วถ้ามีอะไรก็บอกก็ได้ แตาเขาไม่ปรว v าไปบอกเขาไม่ได้คำถามากุนลนคณในวันโกนพระสงฆ์ทายต้องตรงผมและตรงคิว้วแต่หากไม่ตร ง, ตร ง, ตรงแต่หากผมไม่ตรงแบ่ผมไม่องคิ้วถือว่าผิดไหมครับก็มันก็เป็นพวกเพี้ยนไปไงเป็นค้าไปอยู่กับเขาแล้วเขามีขนทรรมทำเนมประเพณีให้ทําก็ชอบไปไม่ ก็ไปทําแปลกๆกับเขาแต่ก็อยู่กับเขาไม่ได้ครับถามจากคุณบัญชรีถ้าคนที่นั่งสมาธิจิตนิ่งหรือเจริญสติได้ปัจจุบันพิจารณาได้ปัญญาอย่างนี้ถือว่าได้บุญแล้วสามารถส่งอุทิพ์บุญให้กับคณอื่นหรือคนที่ตายไปแล้วอย่างนั้นใช่ไหมคะไม่ได้หรอกพูะเจ้าสอนให้ส่งด้วยการทาทานอย่างเดียว แหมมันยาวส่งวิธีอื่นไอ้วิธีเสียเงินนี้พยายามส่งเลยวะเข้ามจักคุณสุชาดาถ้าคนทำไม่ดีเอารักเอาเปรียบผู้อื่นแต่เป็นคนร่ำรวยมักจะทำบุญครั้งละมากๆอย่างนี้คนผู้นี้เวลาตายกรรมชั่วก็จะไม่มีกำลังดึงไปสู่อาบายได้หรือเปล่าค ะ, ะก็แล้วแต่ว่าบุญกับบาปมันในกำลังมากน้อยกักนการทาบุญนี้มัน มีกำลังน้อยกว่าการทำบาปนะเพราะการทำบาปนี่มันผิดศีลศีลนี่มันมีมันมีมีน้ำหนักมากกว่าทานทำทานแล้วก็ทำบาปเนี่ยทำทานมันมันกำลังสู้การรักษาศีลไม่ได้อาจไม่ทำบาปไม่ได้ทำบาปนี่มันมักจะมีกำลังมากกว่า แต่มันก็ขึ้นอยู่กับบาแบบไหนแบบบาปมันก็มีแบบหนักเบาก็มีบาปหนักก็ฆ่าลองลงมาก็รักทรัพย์ลองลงมาก็ประพฤติผิดประเวณีลองลงมาก็พูดปดมดเท็จลองลงมาก็ดื่มสุรายาเมาก็อยู่ที่ว่าทามากทาน้อยมันมีหลายอย่างรวมกันทานก็เหมือนกันทานก็อยู่ที่ว่าเรา ทำมากทำน้อยทำสิบบาททำร้อยบาททำพันบาทมันก็มีน้ำหนักต่างกันในเรื่องราวเหล่านี้เราไม่ต้องไปนั่งคิดบัญชีจดบัญชีหรอกว่าเราไม่รู้หรอกมันจะรู้ก็ตอนที่เวลาที่บาปกรบมุญมันมามันมาคิดบัญชีกันนั่นก็ทำมันทั้งสองอย่างเลยจะดีกว่าบุญก็ทำบาปก็ไม่ทำรักษาศีลไปมันก็จะปลอดภัยกว่า จะมากังวลกับเรื่องกูทำบาปแค่นี้ทำบุญแค่นี้จะไปทางไหนอมันไม่ไม่ควรที่จะมากังวลคนที่จะทำทั้งสองอย่างบาปก็ไม่ทำทำแต่บุญอย่างเงี้ยลำลางน่าตายไปมันไปสู่ที่ดีแต่ถ้าทำบุญแล้วก็ทำบาสด้วยอันนี้ก็ไม่รู้เพราะว่มันเราไม่มีตาช่างบุญกับตาช่างบาสมามาวัดว่าอันไหนมันจะหนักกว่ากันน้อยกว่ากัน เป็นแต่ how. รูปแบบข้าวๆหรือว่าบาปหนักบาปเบามัานมีถ้าทำมากทำน้อยมันก็ทำให้มันมีมากมีน้อยคำถามจากคุณนันทนาถ้าแม่มีเงินพอใช้แล้วเหลือใช้แล้วเราควรให้เงินแม่อีกไหมค ะ, ะถ้าเรารักแม่เราก็ทำบุกับแม่ได้เราให้แม่ร่ำรวยกับเรา แต่เรายังอยากจะให้เงินแม่ก็ให้ได้ทําบุญกับแม่ได้เป็นบุญทําบุญกับผ้าอราหารนะันเนี่ยแม่เป็นบุญของเราเป็นเป็นเป็นผ้าอราหันของเราอย่งไม่ต้องไปดูฐานะของแม่หรอกก็ดูไว้ก็ดีถ้าแม่แม่เดือดร้อนก็ต้องให้แต่ถ้าแม่แม่เดือดร้อนก็ให้ได้เหมือนกันให้ก็ได้บุญเหมือนกันไอ้พวกที่ชอบหาช่องวิที่ยังไม่ต้องให้นั่น พอพอแม่มีแล้วก็ไม่ต้องให้แล้วมันก็ไม่ได้ทดแทนบุญคุณไม่ได้แสงความกระดันกระดันอยู่กระตะเวทียันให้ไปเถอดเดี๋ยวแม่เขาก็ให้คืนมาเองแหละถ้าก็รู้ว่าเขาไม่ต้องการเดี๋ยวเขาก็ให้คืนเรื่องให้เขาไปแล้วเขาก็บอกไม่เอาหรอกไม่เอาไม่ต้องแต่เราควรจะแสดงน้ําใจของเราไม่ใช่ไปดูว่าแม่มีพอหรือยังมีพอแล้วกูจะได้ไม่ให้อันนี้มันไม่ถูกใช่ไหม คำถามจะคุณมีนาะถ้าเราต้องการทำงานที่ท้าทายมากขึ้นแต่หัวหน้าไม่ให้ทำเลยทำให้วันวันว่นวางงานบ่อยควรซึ่งมีข้อดีในการไปปริบัติทำได้ง่ายเราควรทำต่อไปหรือลาออกไปหางานอย่างอื่นทำดีคะก็แล้วแต่น้ำใจคำถามจะคุณใส่น้ำอิง กรณีลูกชายไปทําผ้าป่าสร้างพระธาตุแล้วอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้มารดาบิดาตลอดปีละหลายครั้งแล้วบอกพี่น้องว่าไม่ต้องใส่บาตร ท, ทาบุญให้เพราะท่านได้บุญจากการสร้างพระธาตุแล้วเป็นความจริงหรือเปล่าครับก็บุญมันเกิดจากการที่เราเสียสละเงินทองของเราไปส่วนเราจะไปทําอะไรมันไม่สําคัญสําคัญว่าเราได้สละเงินทองหรือเปล่าถ้าเราได้สละเงินทองก็ถือว่าเราได้ทําทาน จะไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ไปสร้างพระธาตุไปสร้างอะไรก็ไม่ไม่ตัวนั้นไม่ให้เป็นตัวประเด็นสําคัญในการที่ทําให้เราเกิดบุญบุญเกิดจากการที่เราเสียสละทรัพย์สมบัติส่วนของเราไปให้แก่ผู้อื่นจะไปให้ใครก็ได้ให้แมวให้หมาให้คนให้พระก็ได้บุญเหมือนกัน mm hmm. เมื่อเขาทาบุญแล้วเขาก็ดีกว่าบุญที่เราอุทิศไป แล้วก็ทําบุญนี้เขาได้ร้อยเต็มร้อยแต่บุญที่อุทิศนี้เราอุทิศได้เพียงบาทเดียวร้อยหนึ่งเราอุทิศไปได้บาทเดียวบุญอุทิศนี้น้อยมากเป็นอุทิศบุญอุทิศนี้เป็นเหมือนเป็นบุญเหมือนกับพ่อที่จะให้ยาใส้ไปวันวันหนึง่งให้ขอทานได้มีอะไรกินไปวันวันหนึ่งท่านเองแต่ไม่สามารถทําให้เขาเป็นเศรษฐีขึ้นมาได้แต่ถ้าเราทําบุญเองนี่เราจะเป็นเศรษฐีบุญทันที คำถามจากคุณปาดถวายผ้าไตรช่วงที่ท่านพระท่านมาบิณฑบาตตอนเช้าได้ไหนคะหรือต้องไปที่วัดก็ <c oughs> แล้วแต่ความสะดวกท่านมาองค์เดียวท่านมีบาทใบเดียวไม่มีลูกศิษย์เดียวถวาย <c oughs> ข, าของเยอะๆท่านก็ไปไม่ได้อันนี้ดูความเหมาะสมดูกาลเทศะค <c oughs> ําถามจากคุณธัญรัตน์ทําบุญทําทาน ร, รักษาศีลแต่ชีวิตย่ำแย่คนมากงตลอด แล้วบุญที่ทำมาเยอะๆสร้างวัดดูแลพุทธศาสนาไม่ช่วยเราเลยเหรอคะก็ยังไม่ถึงเวลามันจะออกผลไงบาปมันมาก่อนที่เราที่เจอปัญหาเจอความทุกข์ยากลาบากก็เป็นผลจากบาปที่เราทำมาก่อนมันคนละคิวกันไงมันคนละวาระกันวาระของบาปที่เราทำไว้มันมาส่งผลก่อนวาระของบุญนี่มันยังไม่ถึงเวลามันปลูกต้นไม้ปลูกต่างเวลากัน ตคเรามจากคุณจุรามากกลับเรียนถามเรื่องการสร้างพระพุทธรูปจะได้อ น, นิสงส์งบุญแบบไหนและอุทิศให้พ่อผู้ล่วงรับไปท่านจะได้รับไหนคะก็เหมือนกันอย่างที่บอกบุญเกิดจากการที่เราเสียสละเงินทองไป จะไปสร้างพระพุทธรูปจะอาไปทําผ้าปา่าถวายกระถินมันก็เหมือนกันคือเงินที่เอาไปเขาจะาไปไทยอะไรนี่มันก็เป็นเกิดประโยชน์ต่างกันไปเอาเงินไปซื้อพระพุทธรูปก็จะมีพระพุทธรูปไว้ตั้งไว้ให้คนกราบไหว้เอาบุญไปซื้อผ้าก็ผ้าก็จะได้มีผ้าจีวร น, นุ่งหม่มอันนี้ก็เป็นประโยชน์แต่ไม่ใช่เป็นบุญบุญคือเกิดจากการที่เราเสียเงินเสียทองไปทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น เราเอาเงินไปซื้อนกซื้อไปปล่อยนกปล่อยปลาเราก็ได้บุญเหมือนแต่ประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์ของนกของปลาไปถ้าเราบุญไปทำํำลุบํารุนพระพุทธศาสนาประโยชน์ก็เกิดกับพระพุทธศาสนาไปแต่บุญก็เหมือนกันถ้าเราใช้เงินก้อนเดียวกันปริมาณจํานวนเท่ากันเราก็ได้บุญเท่ากันไม่ว่าเราจะไปใช้กับทางไหนเอาไปทําบุญที่โรงพยาบาลก็ได้ทําบุญที่โรงเรียนก็ได้ถ้าเงินประมาณ ปริมาณเท่ากันบุญก็เท่ากันแต่ประโยชน์มันไม่เหมือนกันนั่นเองอยู่ที่ว่าเราเอาไปเอาไปใช้ทางไหนคำถามจากคุณนุชบริจาคเลือดได้บุญแบบไหนคะก็เหมือนกันก็บริจากเลือดก็เราก็เหมือนกับเราก็แทนที่จะเสียเงินเราก็เอาเสียทรับคือร่างกายของเราเลือดก็เป็นทรับอย่างหนึ่งเอาไปขายได้นื่เรา ข้าวมัน้าก็บริจาคเลือดไปถ้าเราไม่มีรั์เราก็บริจาคเลือดไปบริจากไตก็ได้บางคนก็บริจาคไตไปคำถามจากคุณอภิพลเราเห็นญาติผู้ใหญ่ทำผิดศีลเช่นฆ่าสัตว์เมื่อเราบอกว่ามันบาปจะทำให้เป็นโรคภัยไข้เจ็บอายุสั้นแต่เขาไม่เชื่อโยมเป็นห่วงเขาค่ะรวมถึงพ่อแม่เราด้วยเราจะมีวิธีบอกอย่างไรถึงจะฟังคะ แ้วก็ไม่เชื่อแล้วก็อย่าไปบอกเลยก็เหมือ hmm. นกับเขาเปิดหูอ่ะพูดไปเขาก็ไม่ฟัง mm hmm. บอกแล้วก็พอบอกครั้งเดียวก็พอแล้วเ mm hmm. หมือนแล้วไนงะถามพอมดีเดี๋ยวเขถามเรื่องขันกับ้ขันติกับผู้ใหญเศาลอ uh huh. ต, ตัวขันนี่มันถ้าเราเกิดเรามีไอ้ขันติมีทั้งวันเนี่ยมันหมายความว่าเราทุกทั้งวันรู้ว่าเรามีกี่เดททั้งวันมีขันติต้องทุกทั้งวัน หมายถึงว่าเราต้องใช้ภาระทนทั้งวันนี้มันมันมันมันมันมันมันเป็นตัววัดว่าเรามีปัญหามาทั้งวันหรือเปล่าก็แสดงว่าเราตองมาทั้งวันเราต้องใช้คันติทั้งวันนี้ถ้าใช้ถ้าต้องใช้ขันติแบบบังคับก็แสดงว่าเราไม่มีโอเบขาเอถ้าเรามีโอเบขาเราก็ไม่ต้องใช้ขันติบังคับว่าใจเราจะเฉยเฉยจะมีขันติแบบธรรมชาติ แต่ถ้าเราต้องใช้คันติผมใจก็แกสดงว่าใจเรามันวุ่นวายใจเรามันจู้จี้จุกจิกอย่างมันก็เป็นตัวบอกว่าเรายังมีกิเลสอยู่มีเรื่องนี้มาเพราะราอ ใ, ใช้คันติข่มใช่มครับมีโลภโมโทสันอยู่ก็ เ, เลยต้องใช้คันติข่มแต่ถ้าเราเรามีอุเบกขามันก็จะไม่มีโลภโมโทสันเราก็ไม่ต้องใช้คันติของเราก็จะมีคันติโดยธรรมชาติ มัอย่างบักเรื่องมาแล้วเขาก็ไม่พอใจแล้วต้องขมไม่เหมือนว่าเราแต่ถ้ามีอุเบกขามันก็จะเฉยๆมันจะไม่ไม่ไม่ไม่มีอารมณ์อถ้าจะเปลี่ยนจากฐานเป็นอุเบกขาต้องใช้ปัญญาไม่ฐานอุเบกขาไม่เกิดจากกาต้องต้นก็ต้องใช้สติทางใจให้สงบให้มันอัปปนาสมาธิมันก็จะได้อุเบกขาเวลาอุเบกขาแล้วขั้นต่อไปก็ใช้ปัญญารักษาอุเบกขาเวลา จิตมันจะโลภจะโกรธก็ใช้ปัญญาสามารถอย่าไปโลภไปโกรธพออยู่ความโลภโกรธได้ใจก็จะเป็นอุเบกขาไดต้ต้องมีอุเบกขาก่อนถึงจะใช้ปัญญารักษาได้ถ้ายังไม่มีอุเบกขาต้องสร้างด้วยสติขึ้นมาก่อนพอสร้างด้วยปัญญามันยากกว่าสร้างด้วยสติมันง่ายกว่าพุโทโธพุโทโธไป พราส้งได้สติแล้วได้ปัญญอุเบกขาแล้วที่ก็หัดมาใช้ปัญญารักษาเหมือนเวลาจะโลภจะโกรธก็ใช้ปัญญาสอนว่าอย่าไปโลภอย่าไปโกรธว่าะมันเป็นทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมามันก็จะหยุดโลภโกรธได้มันก็มันก็จะเฉยได้ต่อไปเอาแล้วนะโอเคนะอ คือในช่วงหลังเนี่ยมีความรู้สึกว่ามีการสร้างวัตถุอย่างเช่นเจดีย์หรือว่ามีพุทธรูปเนี่ยมากเกนตัวดิฉันเองเนี่ยรู้สึกว่าเกินความจำเปแล้วก็การทําอย่างเงี้ยรู้สึกว่ายิ่งห่างไกลวิถีการปฏิบตัติคือไม่ทราบว่าเข้าใจถูกหรือเปล่านะเจ้าค่ะก็เรื่องเรื่องของเขาอ่ะเรื่องของชาวบ้านก็อยากจะทําอะไรก็เรื่องของเขาแต่เราไม่ไม่อยากทําแล้วก็อย่าไปทํานั่นนั้นเองแต่ปัญหาคือบางครั้งพอใจของเราไปคิดถึงเนี้ย มันทาให้ใจของเราไปขวางทางทำกุศลเขานั่นนั่นสิก็ก็ต้บอกอย่าไปยุ่งกับเขาไงเราเห็นว่าไม่ควรสร้างเราก็ไม่ต้องไปสร้างนั่นเองเราอย่าไปห้ามคนอื่นแม้เขาไปสร้างเขาอยากจะสร้างเขาก็สร้างของเขาไปตัวใครตัวมันเรื่องใครเรื่องมันคนอื่นเขายังอยากจะสร้างก็ให้เขาสร้างไปแต่เราไม่อยากจะสร้างเราก็ไม่ต้องไปสร้างกระเทานั้นเอง เปนน่าจะมีปัญหาเลยพาเมื่อเราบอกปฏิบัติแล้วก็ไม่ปฏิบัติสิเราจะไปยุ่งกับชาวบ้านเขาทำไมก็จะสร้างก็ปล่อยเขสร้างไปแล้วก็ไปปฏิบัติของเราไปไม่เกี่ยวกันเท่าไหร่ขอให้เรารู้เราปฏิรู้เอาความรู้มาใช้กับเราอย่าไปใช้กับคนกับคนอื่นอย่าเอาปัญญาไปฆ่ากิเลสของคนอื่นเอาปัญญามาฆ่ากิเลสของเราเอาปัญญาไปฆ่ากิเลสคนอื่นนี่ก็ตีกันท่า น, น อเขาเขายังรับปัญญาของเราไม่ได้เ ป, เป็นความแย่ที่ใจเราเอง อ, าาอ่าไปออกไปยุ่งเ อ, อ, อกไปยุ่งเนอะอาจจะอวดดีอวดเก่งอวดรู้แสดงวก็ยังเป็นกิเลสอยู่คนที่รู้จริงแล้วก็จะปล่อยเป็นเรื่องของอน้าตาไปเรื่องของดินน้ําลมไฟเรื่องของสภาพจิตของแต่ละคนที่ไม่เท่ากันคนที่เขาอยู่ระดับทานเขก็อยากจะสร้างทาน เขาก็ทำไปตามความอยากของเขาอยู่ขั้นทำทานเขามีเงิเขาก็สร้างเจดีย์ไปเขายังปฏิบัติธรรมไม่ได้เหมือนเราเราปฏิบัติธรรมได้เราก็ไปป ฏ, ปฏิบัติของเราไปเดี๋ยวก็ถึงเวลาเขาก็เาก็มาถึงขังข้นของเราเองพอถึงขั้น่า ง, งเราเขาก็จะหยุดสร้างเองเขาก็จะมาทำมามาปฏิบัติธรรมเองเดีย๋ยวเราต้องดูว่าแต่ละคนเป็นนักเรียนคนละชั้นกันนะเราอยู่ชั้นมหก็จะไปให้เด็กกอไก่ ข, ขาไข่เลิกท่องก็ เลิกท่องกอไก่ขอไข่ได้ไงเขายังต้องท่องกอไก่ขอไข่เขาปล่อยก็ท่องไปสิ<ม>เขายังต้องสร้างทําบุญสร้างบวชสร้างเจดีย์เขปล่อยเขาสร้างไปสิก็ไม่เห็นเสียหายทางไหนมีก็มีเลยก็ฐานนัะนเี่บวชเจดีย์มันไม่มสําคัญสําคัญที่ทานที่เขาทำต่างหากเราอยู่ชั้นภาวนาแล้วก็ภาวนาไปสิเราไม่ต้องไปห้ามคนที่เขาอยู่ชั้นทําทานอย่าให้ไปทำทาน อาจารย์อะชั้นใครชั้นมันอแล้วคืออันนี้ควรไม่ควรแล้วแต่พิจารณานะเจ้าคะ่ะคือแล้วช่วงหลังเนี่ยจะมีกระแสเหมือนกับต่อต้นออานมุสลิมอย่าไปพูยนะเรื่องเรื่องของอื่นกระแสอื่นบอกแล้วให้สนใจเรื่องของเราคนเดียวก็พอต่อต้านกระแสกิเลส ข, ของเราก็พอเี่ยโลคโกดหลงต่อต้านกระแสที่อยากจะไปยุ่งกับคนอื่นเนี่ยอย่าไปสนใจ มันไม่ได้ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเราหรอกมามามาแก้กระแสจิตของเราดีกว่าแก้กระแสของโลภโกรดลงของเราก็พอกระแสของคนอื่นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรากระจายนะโอเคก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิพจารณาไปปฏิบัติ